จะประกาศดินสออะไรก็พยายามพยายามรักษาลมนี้ไว้เนี่ยพอตอนนั้นเข้านั้นเข้าประมาณเป็นเดือนเนี่ยมีความรู้สึกว่าใจมันว่างจนมีความรู้สึกว่าเราไม่มีาศาสนาเหมือนเหมือนเราไม่ได้ยึดถืออะไรเลยอ่ะมันว่างจนถึงขนาดว่ามีความรู้สึกว่าเราเลยไม่มีอะไรยึดถือเลยนะไม่มีสัจไม่เราไม่มีาศาสนาหรือยังไงอะไรประมาณนี้มันจะเกิดความรู้สึกนั้นนะทีนี้ผมก็ไม่ไม่เข้าใจแต่ว่า ช่วงนั้นก็มาก็ได้ไปหาหลวงพ่อแต่ว่าหลังจากนั้นผมก็ใช้ใช้ตัวเนี้ยไอตัวธรรมะที่มันที่มันเกิดกับผมเนี้ยผมรู้สึกผมมีพลังมากนะมีพลังมากทำงานได้เยอะมากผมเขียนโครงการเขียนหนังสื อ, เ ข, อเขียนทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะ่ะได้เสร็จภายในเวลารวดเร็ว มันมันทําให้เรามีพลังมีกําลังมากแล้วมันก็จะส่งผลถึงเรื่องของการทํางานเรื่องของอะไรหลายอย่างนะแล้วจิตใจมันจะดีมากอ่ะใจมันว่างมันไม่ปรุงแต่งมันว่างจากการปรุงแต่งผมพูดง่ายๆผมนึกถึงหนังสือหลวงพ่อพุทธทาตุเลยะเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจผมอ่านหนังสือหลวงพ่อพุทธธาตุทำงานทุกอย่างได้จิตว่างอะไรเนี่ยมันจะประว่างได้ยังไงจิตคือมันหุ่นทั้งวันอ่ะคือดูไปดูมามันก็มันว่างไม่ได้เลยอ่ะคือมองไม่รู้เลยมันว่างอย่างไร คราวนั้นเลยเลยนึกถึงเนี่ยหลวงพ่อพระธาตหนังสือเล่นนะนะแบบจิตว่างจิตว่างเลยเข้าใจว่าจิตมันว่างจริงมันว่างจากการปรุงแต่งนะคือมันไม่คิดไม่นึกไม่ไม่ปรุงอ่ะมันรู้มันรู้รู้รู้รู้แล้วมันมันไม่ปรุงต่อรู้แล้วมันวางรู้แล้วมันวางมันก็เลยว่างว่างมากๆนะแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ไม่ได้ผมไปเรียนต่อนะลิเรียนต่ิญญาโทที่คณะศึกษาศาสต์ไม่ด้โดนที่เก่า ก็ไม่ได้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าผมเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าผมไม่เดินโยงกลมไม่ยกมือมันจะอยู่ได้นานไหมนะมันเกิดความคิดสิ่งนีะผมก็ไม่เดินโยงกลมไม่ยกมือนะแต่ผมก็มากําหนดรู้กับกิริยาบทที่ที่ทํางานนี่แหละผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราไม่ไปยกมือไม่เดินโยงกลมมันจะอยู่กับเราได้นานไหมมันก็ค่อยๆจางไปคนลดลงๆแต่มันก็นานนะอยู่ได้หลายเดือนทีเกี่ยวขี่อย่างตัวใบเราที่สองครับ เดี๋ยวค่อยฟังต่อแล้วท่านได้เจอคุณหมอพอที่นอกแรกในวันประสิทธิการเจริญสติแบบนี้เป็นอยงไรครับขับนมาสการหลวงพ่อนะฮะภิกษุทุกลูกแล้วก็ธรรมสวัสดีญาติธรรมทุกันนะฮะชีวิตตัวเองต้องยาวที่สุดเพราะว่าอายุมากที่สุดนะฮะบนเวที แต่ว่าก็จะสั้นๆเพราะว่าจริงๆใครอยากรู้ชีวิตก็ไปซื้อหนังสืออ่านนะฮะา็มีหนังสือขายแล้วนะฮะจะออกเล่มสองคือตอนสองนะฮะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬานะะเป็นหมอผิวหนังนะะแล้วก็มาปฏิบัติได้ยังไงมันก็ทำไม่ตัดสัร น, นะฮะเพราะว่าแต่ก่อนอยากเล่นโยคะมากอะเ อ, อมีคอร์สโยคะก็เลยไปเข้ากับเขาอะแล้วเขาบอกว่า ต้องเจริญสติด้วยนะฮะเขาบังคับก็เลยเ อ, อไปอนาปนาสตินะคะอ น, อนาปนาสติแล้วลก็เออมานหลงไปฮะเอ้ทําไมเรานิ่งได้น ะ, ะจิตเรามานิ่งได้ไอ้ยุงกัดเราก็เห็นยุงกัดเราก็ไม่ทำอะไรด้วยความที่เป็นนักวิชาการอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอนะฮะก็เลยหาใหญ่ค่ะหาอยู่สามปีไม่เจออะไรเลยนะก็ปะไปอยู่ที่แล้วก็ว่าเออมีลูกน้องคือคุณหมออินทิราซึ่งเป็นลูกศิษหลวงพ่อเหมือนกันนะคะ บอกว่าพี่ไม่กิเลสหนาะไม่มีทางหออาณาบัตสติพี่ต้องมายกมือสร้างจังหวะอะไรนะฮะก็เลยอ้าวในว่าเขาไหวงั้นก็เลยมาฮะก็เลยมาฝึกอยู่กับสายนี้ก็ฝึกอยู่กับพระอาจารย์สุริยาเพราะต้นนั้นหลวงพ่ออยู่ที่อเมริกานะฮะฝึ ก, กพระอาจารย์สุริยาอยู่หลายปีค่ะก็แปลกใจเหมือนกันค่ะทำไมยิ่งอยู่ได้ที่นั่นนะคะมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะก็เที่ยงดูว่า ไปแล้วก็ไปฝึกยกมืออะไรเงี้ยก็ทําอะไรสารพัดอย่างนะก็ไม่เห็นได้เลยเลยนะแต่ก็ยังไปอยู่นะมันก็แปลกฮนะก็ก็ ก, ก็จนกระทั่งตอนหลังเนี่ยฮะว่าที่มาเจอหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อก็บอกสํารองว่ากลับมาจากอเมริกานะฮะแล้วก็ไปเทศที่ประสงกระนัดเมื่อครบสิบสองสิบสองปีนะฮะก็เลยตามข้อมาแล้วก็รู้จักหลวงพ่อแล้วฮะ แล้วก็มันก็แปลกครับว่าทําไมถึงม่อยู่หลวงพ่อได้นะทั้งที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์สุริยานะคะแล้วลูกศิษย์พระอาจารย์สุริยานี่ส่วนมากจะไม่หลุดออกมาเลยน ะ, ะน้อยมากที่จะหลุดออกมามีตัวเองที่หลุดออกมาได้นะคะมันก็แปลกนะคะว่าเออเราหลุดมาได้ยังไงนะคะนี่ที่มาหลุดมาได้านก็แปลกอีกคะว่าเพื่อนน้องสาวเนะี่ยเขเกิดมาฝึกกับหลวงพ่อเพราะตอนกลุ่มเพื่อนสติเ ข, ข้ามาฝึกหลวงพ่อนะคะแล้วน้องสาวเข้ามา นางสาวโอ้ยหลวงพ่อดีจังเลยมีน้ำปาหนะมีเอ๊มีน้ำอะไรฮะใบสารพัด ส, สารพัดชนิดอะไรนะฮะหลวงพ่อฝึกเอ่อเป็นอาหารอะไรเงี้ยเอ๊เราก็อยากเห็นเอ๊หลวงพ่อฉันอาหารอะไรกันเนี่ยทำไมพวกนี้เขาพูดว่าดีนะก็เลยมาก็เลยมาอยู่กับหลวงพ่อนะคะแล้วก็เอ่อได้มาต่อเดี๋ยวหลวงพ่อทั้งหมดเนี่ยสองครั้งนะคะแล้วก็ด้วยธรรมะจัดสรรอี้นะคะว่าพอมีโอกาสที่ไปจัดกิจกรรมที่หอจมัยเหตุพุทธาธาตุนะ หลวงพ่อก็เป็นเหมือนอย่างเป็นสแปรนะฮะถ้าใครขาดปั๊บก็โทรศเรียกหลวงพ่อหลวงพ่อมาช่วยหน่อยไม่มีพระนะฮะแล้วหลวงพ่อก็จะมาช่วยนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าต้องนิมนต์หลวงพ่อมาแทนคนอื่นนะฮะเวลาเวลาไม่มีพระนะฮะเพราะว่าพระสายนี้ก็เคลื่อนไหวมากค่ะอยู่ๆเดี๋ยวท่านก็ไม่มาเฉยๆนะฮะเราก็ต้องไปหาพระแทนหลวงพ่อก็จะมาแทนให้ทุกครั้งนะครก็เลยตอนนี้ก็เลยมาทํางานที่หลวงพ่อนะฮะ จ ร, จริงๆแล้วในในแง่ของว่าตัวเองเนี่ยทำงานมาได้ยังไงนะคะมันก็แปลกว่าเข้าปฏิบัติตอนสายนาปฏิสติณั้นอายประมาณห้าสิบสองนะคะแล้วก็เห็นสัจธรรมอันหนึ่งค่ะว่าอาจารย์ที่สกเกษียณอายุเนี่ยคะเขาไล่ออกเลยนะคะเขาไม่ให้อยู่เลยนะคะก็เลยคิดเอ๊ะถ้าฉันเกษียณเขาคงจะไล่ ย, ยันออม ก, กันนะคะก็เลยไปลองฝึกดูนะคะอันนั้นตอนนั้นอันนะคะก็คิดว่าจากสัจธรรมอันนั้นทําให้ตัวเองเข้ามาอยู่ในพุทธศาสนานะคะแล้วมาถึงว่าเมื่อฝึกสายนี้แล้วเนี่ย มันเปลี่ยนไปไหมมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะแต่ตัวเองก็ไม่รู้น ะ, ะว่ามันเปลี่ยนไปเพราะอะไรนะฮะมันจะขยันทํางานมากนะฮะไม่รู้ทำมาตั้งวันนะทําทั้งวันนะททนนะแล้วก็กิจกรรมหอจะไม่เห็นเนี่ยก็ทําอยู่คนเดียวนะทําอยู่ได้ยังไงก็ยังไม่ทราบเลยมันทําอยู่ได้ยังไงนะฮะทาอยู่คนเดียวน ะ, ะไม่ว่าจะเขียนหนังสือนิมนต์พระนะฮะเ อ, อ่ออะไรฮะเตรียมาอาหารนะ วาดบ้านถูกบ้านคือทําทุกอย่างคนเดียวนะฮะแล้วก็ตอนหลังนี้ก็เลยคิดว่าเออนี่เป็นความสุขอย่างนะการได้ทําคนเดียวยังไม่ต้องเป็นความสุขอย่างเพราะว่าคนอื่นมาทําให้เราเราต้องมานั่งแก้เสียเวลามากรานเราทําเองดีกว่านะฮะอันนี้ก็คิดว่าจากสติน ะ, ะคิดว่าจากสติที่ปลุกมาเนะะี่ยมันมาออกผลตอนนี้ว่าเมื่อเราทําโดยมีสติเนี่ยมันจะไม่เหนือ่อยแล้วมันก็จะสนุก การทำาะฉะนั้นตัวเองจะเป็นคนต้องทางานทั so ้งวันนะไม่ไม่ทราบฟังอยู่ได้ยังไงนะคะดังนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดว่าสุขภาพดีมันจริงสุขภาพเปคนสุขภาพไม่ค่อยดีนะมีโรคประจําตัวอยู่หลายโรคนะคะอย่างวันนั้นโทรมาถามหลวงตาโทรหาหลวงพ่อหวงพ่อดันมันขึ้นน่ะหลวงพ่อบอกว่าก็ไม่ดันมทําไมนะก็เออจริงๆหลวงพ่อเราไปดันลงขึ้นวันนั้นช่างหัวมันก็แล้วกันนะเพราะงค์กดันก็ยังไม่รักษานะแต่ว่ามันก็จะลงมาเองนะเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบทดลองอ่ะ ว่าเออถ้าฉันฝึกอย่างนี้นะความดันฉั้นจะลงไหมบางทีมันก็ลงนะฮะบางทีมันก็ขึ้นแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกว่าเออมันขึ้นลงลงมันใสเราไปดันมันขึ้นอย่างนี้อย่างหลวงพ่อว่านมันก็เลยขึ้นไปนะจุดป่านนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้กินยาค่ะยังไม่ได้กินยาเพราะว่า เป็นหมอรู้นะฮะถ้าเมไรได้ลงมือกินยาฮะต้องตลอดชีวิตแล้วนะฮะว่าจะไม่อยากกินนะฮะว่พูดอยู่เรื่อยกายพูดว่ายไม่กลัวตายหรวนจริงไม่กลัวนะอยากตายนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องทํางานนะเพราะได้ทํางานเยอะไปนะเออตายได้ยังได้สบายนะอย่างตัวเองไม่ไข้มาตอนนี้คือตัวเองยังทํางานทางโลกอยู่นะฮะยังตัวเป็นไข่อยู่แล้วก็หลวงพ่อพูดเลยเลิกทำไปแล้วไม่ต้องทําทําไมทางโลกนะแต่ว่ามันมีประโยชน์อย่างนะการทํางานทางโลกเราสามารถจะดึงคนทางโลก เข้ามาตัางทําได้เราเป็นเหมือนสะพานที่จะเดินเข้ามาได้นะคะแล้วก็กิจกรรมเาจะม่เหตุที่อยู่ได้เนี่ยเพราะคนไข้นะคะเพราะว่าตอนแรกที่ทำใหม่ๆไม่มีตังค์นะฮะ มันก็ถ า, ามว่าตัวเองมีไหมมีอ่ะไอ้ตัวเองมีตังค์ที่จะจ่ายนะมีตังค์ที่จะจ่ายแต่ตัวเองไปคิดนะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมทิ่งจะต้องมีสําหรับกรุงเทพทำไงมนจะอยู่ได้เราก็อายุจนป่านนี้แล้วนะจะทําไงให้มันอยู่ได้นะตอนนั้นก็พยายามหาว่าจะหาทางไงที่จะให้กิจกรรมนี้อยู่ได้ก็ ใส่คนไข้นะคะคนไ ข, คนไข้คนไหนมาก็ทําบุญกันละกันฮะคนไข้ก็จะทําบุญกันละเพราะว่าเรารักษาเขานะฮะเราไม่ได้คิดตังค์เขาก็จะให้เงินเรามาทําบุญเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เขาจะมาเหตุอยู่ได้ตอนแรกเพราะคนไข้นะฮะคนไข้ให้ตังค์ํานะฮะแต่ว่าตอนหลังนี้หลวงพอ่ห อ, งพอหลวงพ่ออีกหลวงพ่อก็จะพูดในที่ประชุมจ ร, งจรงิงอายนะฮะตอนนี้หลวงพ่อพูดว่าคุณหมอต้องทําเองทุก อ, อย่างแม้แต่ว่าเงินทองก็ต้องอย่าง พูที่มากิจกรรมก็เลยต้องให้เงินเพราะว่าเราเอเงินเราต้องจริงจริงตัวเองไม่ได้เดือดร้อนนะฮะเพียงแต่ว่าอยากให้กิจกรรมอันนี้ต่อนะฮะหลวงพ่อพเอาค่นี่ก่อนไหมฮะหรือว่าจะให้ให้ต่อจบเลยนะฮะเพราะจริงรอบเดียวจบนะ่นหลวงพ่อพรอบเดียวจบเลยหมฮะหลวงพ่อแล้วก็ <า S 1> คอยคายถามมีรอบสองมสองอเ<ๆ>พราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมขอจุดหมายเหตุเนี่ยนะฮะเป็นกิจกรรมซิ่งตัวเองทําเพื่ออะไรนะจริงหลวงพ่อพูดเลยถ้าทําแล้วมัน อะไรฮะมันเหนื่อยหรือว่ามันไม่ชอบนะฮะเป็นทุกข์อย่าทำาผวงอบอกถ้าเป็นทุกข์ก็อย่าทำตัวเองก็ยังคิดเอ๊ะมันก็เป็นทุกข์นะเนี่ยเราทำอยู่เนี่ยแต่ไมเราต้องทำอยู่ได้เงี้ยงงวะก็ยังทำอยู่ได้ทั้งที่มันเป็นทุกข์นะเพราะว่ามันมันยุ่งยากมากนะฮะเพราะว่า คนที่เขาจะหม่เหตุเองเขาไม่เข้าใจเรานะคะเขาก็งงว่าอ้พวกนี้มันบ้ากันยังไงมานั่งยกมืออยู่ในห้องนะคะทั้งวันนะคะแล้วก็กลับไปนะคะกินข้าวกินกันอยู่หน้าห้องนะคะกินก็อยู่ในกล่องนะแล้วก็กลับไปเขากเอ๊พวกเรามันบ้ากั น, แ ล, นะะนแล้วไงนะคะตอนแรกเขไม่เข้าใจเราค่ะเพราะาตัวเองพยายามทำเพื่อให้คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ทําอะไรเลยหมายถึงว่าฝึกสติอย่างเดียวนะคะให้ฝึกยกมืออย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็บริการทุกอย่างให้เขาเลยนะคะแต่ตอนหลังเนี่ย โชคดีนะว่าตอนนี้หอจะไม่ เ, เขีเข้าใจเราแล้วค่ะแล้วเขารู้สึกว่าจะตื่นเต้นกับเราด้วยเพราะตอนนี้เขาพยายามทําอนาปานสติแข่งกับเรานะคะเพราะว่าเพราะว่าของเขามันยังไม่มีอะไรของเรานี่มันนะยังมาถึงนี่และ <c oughs> ได้มาถึงที่นี่แหละอี <c oughs> นี้ว่าจุดประสงค์ทําเพื่ออะไรนะอันนี้หนึ่งจุดประสงค์คืออันที่หนึ่งเพื่อจะเผยแพร่งานของสายงานนฮะเพราะสายงานของวัดนี้อยู่แต่ในป่านะฮะไม่มีใครรู้จักเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นก็คิดว่าทําให้เพื่อสายงานนะอันที่สองคือทําให้คนกรุงเทพว่ามันมีทางอีกทางหนึ่งนะที่เธออยากจะมาลองฝึกสตินะเพราะนั้นก็ให้เขามาฝึกเพราะนั้นก็เอาสองอย่างนี้ประโยชน์เพื่อคนทั้งสองกลุ่มนี้นะคะก็เลยทําทํามาเรื่อยๆนะอันนี้ก็ก็คิดว่าทําไมถึงมาถึงจุดนี้อีกค่ะทําไมถึงเอาคนมาฝึกอีกนะคะคือมันอยู่ไม่ได้คือคนที่ฝึกที่ขอจะมีเหตุแล้วเนี่ยไม่มีสติพอที่จะทํางานร่วมกับเรา อย่างตอนแรกนี่ฮะตัวเองก็องเอาพวกหมอที่เป็นลูกศิษย์ทุกคนนะมาช่วยงานเพราะว่าเราไม่อยากให้คนฝึกสติมาช่วยงานเราเพราะว่ามันจะไม่ได้อะไรใช่ไหมคะเราอยากให้เขาฝึกสติเราไม่ได้อยากให้เขามาช่วยงานบุญเพราะว่าถ้าเรางานบุญเต่าหูหหยออ ก, กมาเต็มเลยนะจะมาช่วยงานบุญเราไม่ต้องการนะเราอยากให้ฝึกสติอย่างเดียวนะะเพรา ะ, ะนั้นก็จะเอาพวกนักหมอนะคะซึ่งว่ามีอารมณ์กรรฐานนิดหน่อยมาฝึกอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าโดนหอจนมาเหตุเล่นงานนะคะ ทุกคนกลับไปหมดนะคะไม่มีคนนะคะแต่หลังก็ต้องพยายามหาคนเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นเปลี่ยนคนอยู่ตลอดเวลานะคะตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนคนตลอดเวลาเพราะว่าคนที่จะรับตอนหน้า ง, งานเนี่ยคะเออหมายถึงพวกที่ประชามเอ่ออะไรพวก d i s c u s s i o พวกอะไรเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนกันตลอดเวลานะคะ <S <S <S <S ทีนี้ว่าพรเอิญเนี่ยค่ะปีนี้ยมันเกิดว่าครบรอบเหลวงพ่อเทียนใช่ไหมคือเขาจะไม่เห็นเนี่ยเขาเกิดเห็นว่าเอ๊ะ ทำอะไรพริเศษสําหรับปีมิ่งทำพิเศษไหมเพราะพอหมอทํามาทั้งหมดประมาณสิบสิบทั้งหมดเป็นข้างที่ยี่บนะคะนี่เป็นข้างที่ยี่สิบก็ถามจะทําพิเศษอะไรไหมก็เลยเอ้าวงั้นก็ทำพิเศษแล้วกันก็จะทําประจําปีนะคะหมายถึงเมื่อเดือนกันยานี่จ่าเป็นประจำประจำปีะะก็เลยถามเอ๊ะจะทําอะไรพริเศษเอาเก็บอารมณ์ก็แล้วกันนะคะก็เก็บอารมณ์ที่ขอจนไ ห, ห, หวเศษวันครึ่งนะคะหลวงพ่อบังเอิญไปพอดีเอามาต่อที่นี่แล้วกันก็หลวงพ่อเองบอกว่าเอามาต่อที่นี่อ้าว ก็ต่อคือตัวเองเนี่ยนะฮะถ้าใครมาตะกิดมิดไวจ้จะทำอะไรจะทําต่อทันทีมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบนะแต่เลยต่อว่าอ้าวงั้นก็นมาต่อที่นี่ทีนี้ว่าผลที่ได้จากการที่มาต่อที่เนี่ยกลุ่มแรกที่ไปนะฮะตอนนี้เขาเกิดแค่หลวงพ่อบอกว่ามาช่วยหมอพรทิพย์ได้แล้วนะะตรงลงตอนนี้เข้ามาช่วยได้แล้วค่ะก็ดีใจว่าอันที่หนึ่งเขาได้อารมณ์วัฏฐานแล้วเขามาช่วยเราอย่างน้อยเนี่ย ก็คิดว่าคนที่ทําอยู่ข้างหน้าก็ต้องทําด้วยมีสติใช่ไหมค ะ, ะคนที่ปรบบิเวณข้างในก็มีสติเพราะฉะนั้นก็ครบถึงประสงค์แล้ ว, ว่าเออเขามีสติมาช่วยแล้ ว, ลวก็ดีใจว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเขาออกมาช่วยแล้วะว่าช่วยกันใหญ่เลยน ะ, ะว่าเอ อ, ำอทำโน่นทํานี่นะแล้วก็เข้าไปฝึกกันนะอันนี้ก็ถือว่ากิจกรรมอันนี้ก็อันนี้เป็นเดือนที่อันนี้เป็นกลุ่มที่สองที่จะมานะฮะกลุ่มที่สองนี่ก็ลำบากมากนะ เข้าๆออกนะพวกที่มานี่เข้าออกกันยังกระทั่งตัวเองไม่รู้จะว่ายังไงตอนแรกก็เราก็เกรงใจนะฮะว่าเรายังไม่อยากเก็บเงินนะ่มาแล้วก็เก็บเงินคนบอกทีหลังลวา่าการทเก็บเงินเลยนะคะจะได้เสียแดงเงิ น, นกรุงเทพนะคะจะได้มาเพราะกลุ่มนี้นะฮะเข้าเข้าออกจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยเหลือไม่กี่คนนะแล้วมันมาตอนมาเดือนกันยานนีมาเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะก็เลยว่าเออไม่รู้จะทํำยังไงจริงจริงเนี่ยถ้าถามว่าทําไมถึงอยากเอามา ทุกคนที่มาแล้วก็จะรู้ทํำไมถึงอยากเอามานะคะแต่ว่าคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยเวลาฝึกๆเราจะเราจะดูนะคะว่าคนไหนที่อยู่กับเรานะเราอยากจะเอาเข้ามานะคะพูดเท่าไหร่ก็ไม่มาค่ะไม่รู้จะทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเวลากลุ่มนี้เนะี่ยกลับไปก็อาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งกลับมาต่อไปเนี่ยคิดว่าเขาจะไม่เหตุเนะะี่ยถ้าทําได้อย่างนี้นะคะตัวเองก็รู้จะอยู่ถึงเมื <laughs> ่อไรแต่ไปเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมเลยค่ะว่าเออเป็นการเจริญสติทั้งโปรแกรมเลย นะฮะหมายถึงคนที่มาข้างนอกก็จเจริญสติข้างในก็จเจริญสติไอสติที่เราได้อันนี้ก็จะกลับไปทํางานได้สังคมก็จะดีขึ้นนะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นจริงๆเราทําเพื่อสังคมนะเราไม่ได้ทําเพื่ออะไรให้สังคมเราดีขึ้นเพราะว่ากรุงเทพเป็นคนฉลาดอยู่แล้วแต่มันไม่มีทางออกนะฮะมันถ้ามาอย่างนี้มันก็จะทําให้ดีขึ้นนะฮะตัวเองก็ว่าเอออย่างอย่างตัวเองเนี่ยก็จะรู้สึกมันดีขึ้นทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะ โกรธก็จะไม่มีนะะโกรธก็จะไม่มีใครว่าอะไรก็จะเฉยเฉยนะะหรือ ว, ว่าอย่างทีวีอย่างอาจา ร, รย์ตะอวนว่านะะตัวเองก็ไม่ดูแล้วฮะทีวีทิ้งไปแล้วฮะเอาไปทิ้งเลยน ะ, ะน้องๆาเอาไปเอาไปหมดเลยที่บ้านไมนมีทีวีขนาดพรอาจารย์สุรยาบอกว่า ต่ถ้ามนมีทีวีอยู่พระอาจารย์สริยาบอกเปิดให้ดูหน่อยสิบอกมันเปิดไม่ได้เพราะมันไม่มีไม่มีเสาเพราะวาเสามันหักแล้วก็ไม่ได้ต่อนะคะเพราะฉะนั้นที่บ้านตอนนี้เลยเอาทีวีออกไปแล้วคะเพราะงั้นใครไปทำไมไม่เปิดทีวีเพราะว่ามันไม่มีเสาให้ดูนะมันตัวเองก็จะไม่ดูทีวีนะคะแล้วก็เสียเวลาดูแต่ว่าถ้าจะดูดูได้ไหมดูได้ดูแล้วก็วางตรงนั้นนะดูแล้วก็วางตรงนั้นนะแต่จริงหนังสือพิมพ์เองก็ไม่ค่ยอยากจะอ่าน เพราะว่าเราก็รู้จะไปทำอะไรเขานะเขาอยากจะทำอะไรจบหน้าจบแล้วงั้นกพอละงั้นรอบแรกนะจบจบละคุณค่นคุณสุรพีในฐานะที่เป็นครูในการเรียนสติแบบนี้เอาไปใชมันจะสวดางกหรือเปล่าเพราะว่าครูนีงานคือกิจยุ่ยิเยอะเกิคมีวิเทียวสติไปใช้ยังไงคุณสุรพีกลบนมัสการพระคุณเจ้ากลับสวัสดี ท่านผู้เจริญในธรรมหลวงพ่อต้องการให้มาเล่าเรื่องมาเล่าในส่วนของประสบการณ์แล้วก็การนำไปใช้นะคะสำหรับประสบการณ์นั้น เ, เริ่มจากการรับคำท้าของหลวงพ่อเทียนค่ะเพราะหลวงพ่อเทียนได้ท้าไว้ในหนังสือหรือในซีดีว่าท้าทาย ของพ่อท้าทายใครที่มีเงินเดือนหนึ่งพันมาสามเดือนจะให้สามพันซึ่งอันนี้เป็นความรู้ที่พวกเราก็ได้ทราบกันดีเป็นความบังเอิญมากมากเป็นความบังเอิญที่ทำให้ปริกในทุกทุกทุกชาติของตนเองไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่ไม่มีใครสนใจ นั่นก็คือหนังสือชื่อพลิกโลกเหนือความคิดก็อ่านไปอย่างนั้นแหะคะ่ะชื่อแปลกๆดีอ่านไปจนจบถ้าเป็นวัยรุ่นต้องพูดว่าเป็นหนังสือที่โดนใจมากโดนมากๆเลยในสองประเด็นก็คือคําสอนแบบเนี้ยประทับใจมากเลยและอย่างที่สองอืม มันเป็นอะไรที่ที่ต้องรับคำท้าละก็เลยเที่ยวไปหาว่าเขาฝึกเขาปฏิบัติเขาสอนกันอย่างไรสรุปว่าได้ไปพบหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่ได้สอนเพราะว่ากลัวพระไม่กล้าพบหลวงพ่อก็ไปวนๆเวียน บังเอิญมีหลวงพี่เดินออกมาจากจากที่ประชุมสงฆ์ก็เข้าไปกราบแล้วก็ไปรายงานตัวว่าต้องการที่จะมาปฏิบัติ ง, งั้นนี้คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยยกมืออะไรนี่ไม่เป็นพระอะไรนี่พูดไม่ถูกทาบาลีนี่ไม่รู้เรื่องตกลงหลวงพี่ท่านก็ อ, อ่ะได้นั่งอ่ะยกนะ ความหงายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิบสี่จังหวะลองทำไปหลวงพี่ท่านมีกิบเยอะมากลองทำไปแล้วท่านก็ไปเราก็อยู่ที่ห้องนั้นคนเดียวก็คงเหมือนต้องโดนเก็บอารมณ์เลยตั้งใจไปงวดแรกนั้นคือสามวันในสองวันแรกที่ได้อยู่ยกมือไปยกมือมาเนี่ย เป็นอะไรที่ประทับใจไม่ลืมนอนสามรอบเลยค่ะอย่างว่าคนอื่นๆที่เขามาที่หอจดหมายเหตุเพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยเขาทนอยู่ได้อย่างไรไม่ทราบตัวเองเนี่ยต้องนอนถึงสามครั้งแบบเหมือนยิ่งกว่าการกินยานอนหลับโอ้นอนไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวจริงๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วนี้จะปฏิบัตินี่เหรอปฏิบัติแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี้เหรอ อ, ะ, อะตกลง อาลงนอนกันก็ได้นอนหลับไปด้วยความไม่ใช่หลับมันไม่เหมือนที่เราหลับมันหลับไปแบบงุนงงอะไรบอกไม่ถูกแบบขึ้นเหียนเวียนหัวอะไรแต่ก็มันเป็นอะไรที่มันต้องพิสูจน์ขึ้นมาก็ยกมืออีกน่าจะได้สักครึ่งชั่วโมงก็นอนอีกหลับอีกจนได้แล้ว มีมีคล้ายโซฟาแบบเนี้ยค่ะแบบที่พระคุณเจ้านั่งเนี้ยค่ะอ่ะตกลงหลับใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้เธอจะต้องไม่หลับนอนเลยค่ะนอนที่โซฟาแล้วเอาขาชี้ฟ้าขึ้นไปแล้วก็ห่อยหัวลงมาแล้วก็ทำสิบสี่จังหวะหลับค่ะตกลงสองวันอ่ะไม่ว่ากันวันที่สามก็กลับบ้านกลับบ้านไปก็ปฏิบัต คือนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นประสบการณ์เล็กๆ5ปีเต็มปฏิบัติทุกวันถ้าอยู่บ้านก็คือช่วงเช้าก่อนไปทำงานถืงมาปุ๊บคือตั้งแต่ตั้งแต่ปึ้งเลยก็ปฏิบัติเลยขึ้นนั่งแล้วก็ในรูปแบบ จนกระทั่งเสจอาบน้ำแล้วก็ไปทำงานเย็นกลับมาก็ที่โรงเรียนก็คือโรงเรียนปิดที่โรงเรียนแล้วก็กลับมากินข้าวอาบน้ำอะไรภารกิจส่วนตัวแล้วก็ในรูปแบบค่ะอันนี้ไม่ไม่เคยเว้นเลยค่ะการการฝึกหัดเนี่ยค่ะเขาพาไป สิ่งที่เขาพาไปมีอะไรบ้างของตัวเองจากต้องเป็นคนนอนมากๆนอนเยอะๆตื่นสายหกโมงเชา้ชาหกโมงเช้านี่คืออย่างเร็วแล้วก็ไปทำงานก็ขยับมาเรื่อยๆเรื่อย ๆ, ๆจนขณะนี้ก็คือตีสามนี่แปลว่าไม่ได้อยู่อยู่วัดนะคะอยู่บ้านตีสามตีสี่ก็ได้ตลอด เ, ออเคย เคยลุกขึ้นมาก็ประมาณที่เช้าสุดปีสองห้าสิบค่ะแล้วก็ปฏิบัติไปจนถึงหกโมงนี่คือในรูปแบบและพอตอนเย็นก็ประมาณทุ่มหนึ่งถึงเมื่อก่อนก็สามทุ่มแต่พอหลังจากที่มามาที่นี่ก็ใช้เวลาของที่วัดนี้เลยค่ะสองทุ่มครึ่งตื่นทีสามครึ่งเขาจะพาสิ่งเหล่านี้ไป ออหมายความว่าเราเร า, เราจะปรับเปลี่ยนอะไรอะไรจะปรับเปลี่ยนอ่ะตอนนี้จากการจากการการการที่ได้นาไปใช้นะคะในการปฏิบัติของตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรหรอกว่ามีการนาไปใช้หรืออะไรแบบนี้จากการปฏิบัติคิดแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือว่าปฏิบัติ เพราะปกติคอมพิวเตอร์เนี่ยยากสร้างตึกสร้างบ้านไปดาวอังคารดาวดวงจันดวงอะไรของออมนุษย์อวากาศอะไรพวกเนี้ยก็เอกก็ทำกันมันยุ่งยากวุ่นวายมากกว่าอันนี้ไม่เห็นจะยุ่งยากอะไรเลยแค่พลิกมือไปพลิกมือมา แล้วเราก็สามารถที่จะเป็นตามที่เหลวงพ่อเทียนท่านว่าไว้มันสามารถที่จะข้ามไปหมดทุกโลกสมมตุติถ้าเกิดว่าเราเราตายไปแล้วเราจะต้องมาเกิดอีกชาตินึงอีกชาตินึงอีกชาตินึงเป็นยี่สิบเป็นอนันต์อะไรอย่างที่เราเคยอ่านในหนังสือเอของประวัติของหลวงพ่อหลวงปู่อะไรเนี่ยค่ะเออเราไม่ถึงขนาดต้องไปขุดดินสักหน่อย ไม่เห็นต้องไปเรียนรู้ขอโทษนะคะนี่เป็นบอกเล่าความในใจของตัวเองไม่เห็นต้องไปเรียนรู้ไอปริญญาอะไรที่มันอุย้ยเนาะทั้งๆ ท, ที่จริงๆแล้ว ก, การการเรียนปริญญาเพราะเราก็เรียนมาใช่ไหมคะการเรียนนู้นการเรียนนี้การเรียนนั้นมันต้องทุ่มเทมากมายแต่นี้ไม่เห็นต้องทุ่มเทอะไรเยอะแยะแต่เราสามารถที่จะผ่านชาติพพต่างๆเหล่านี้ แล้วทำไมเราจึงไม่ทำและสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ในการเรียนรู้หรือในความความฉลาดทางโลกเราจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช้ปากกาใช้กระดาษใช้น้ำหมึกใช้กําลังคนเพื่อนฝูงอะไรต่างๆมาร่วมงานแล้วก็ใช้ทรัพยากรของชาติแต่ทําอย่างนี้มันไม่ได้ต้องใช้อะไรเลยมันแค่ใชต้ตัวเราแค่นั้นเองก็เลย เออมีความมีความตั้งใจค่ะเอ่อจากแรกๆสาวทิตย์ก็ตั้งใจปฏิบัติรีบทำงานอะไรของตัวเองแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบตอนแรกเข้าใจว่าต้องรู้สึกในรูปแบบเท่านั้น อ, อ่รู้สึกเสร็จแล้วก็พอวันจันทร์ก็ไปทำงานหายไปหมดแหละสาว์ทิตย์แกลลรู้สึกตัวดีดี รู้สึกรู้สึกรู้สึกทำนูน่ทนทำนี่รู้สึกพอวันจันทร์ไปอา้าวหายไปแล้วไม่กลับมาตอนเย็นอุยไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ตัวเลยอตอนเย็นก็มานั่งทำก็มาทำใหม่ค่ะเสร็จ แ, <ต>แล้วก็ก็ยังคงทำอยู่อย่างเนี้ยทุกวันแล้วเขาก็ก็มาสังเกตเขาก็เริ่มขยับขึ้นเออวันจันทร์วันอังคารเออวันจันทร์วันอังคารรู้เรื่องรู้ตัวนี่อา่า วันพุธพฤหัสสุขหายไปละก็กลับมาก็ทำใหม่คือไม่ได้ไม่ได้สนใจแะ้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทไปแล้วเขาก็เริ่มขยับไปวันพุธวันพฤหัสก็ยังอยู่คือเขาเติบโตค่ะการการปฏิบัติแบบนี้สามารถทำให้เขาเติบโตได้จากที่เขาเหมือนกำลังในวันจันทร์อังคารพุธเขากำลังอ่อน เขาก็กำลังเข้มแข็งขึ้นจากที่เขาไม่วันไปถึงวันศุกร์เขาก็หมดไปแล้วพอมาวันศุกร์เขาก็ยังคงยังคงมีอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะอ่อนแต่พอไปไปตกลงว่าทั้งเจ็ดวันเขาก็จะยังมีอยู่แล้วก็มีความเข้มแข็งค่ะเมื่อเราเมื่อเราเ ม, มื่อเราสร้างในในรูปแบบ เหมือนกับเขาตามติดไปที่ทำงานด้วยก็คือพอเราไม่เป็นรูปแบบถึงแม้ว่าเราเดินเขาก็รู้ดังนั้นของเราก็เลยไปไปมาๆก็กลายเป็นว่าอยู่บ้านเป็นรูปแบบค่ะพอไปทำงานก็เป็นนอกรูปแบบก็เหมือนจะงกแต่ว่าเราขยับนิดขยับหน่อยขยับอะไรก็แล้วแต่ก็ก็รู้ก็พยายามตามรู้ แล้วก็พยายามไม่ไ ม, ไม่ไม่หมู่มากไม่หมู่มากไม่พูดยาวค่ะแบบนี้ได้นำไปใช้ในการทำงานก็คือคนอื่นยังไงไม่ทราบฉันมีความสุขของฉันพอแล้วจริงๆค่ะไม่ไม่แคร์ใครเลยที่โรงเรียนไม่แคร์ไม่แคร์พูดในการอะไรนี้ไม่แคร์หมด ปกติที่โรงเรียนนี่คืออ่านักเรียนเข้าแถวใช่ไหมคะครูเขาก็ดูแลนักเรียนครูก็จะไปยืนข้างหลังกันหมดเลยเหมือนกับถ้ามายืนข้างหน้าในที่ชุมชนนี้รู้สึกมันจะกลอะไ ร, ะไรถึงแม้จะเป็นนักเรียนเราแต่พอตัวเองได้ปฏิบัติไปโอ้ยข้างหลังนั้นคนอยู่เพียบเลยยี่สิบสามสิบไม่ไปหรอกยืนข้างหน้าเลยค่ะหน้าเสาธงเลยตรงที่เขาเชิญองชาติตรงนี้แหละดีฉันจะยืนตรงเนี้ย เพื่อเป็นการทดสอบว่าเธอมีสติมากน้อยแค่ไหนมีแล้วหรือยังแล้วก็สองจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับพวกมากก็ตกลงเช้าขึ้นไปก็ไปยืนตรงนั้นแล้วก็เจริญสติของเราด้วยการกระทุกกระดิกไปเรื่อยๆมองนักเรียนเ อ, อนักเรียนคือไม่ทราบแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องงานนี้คือทา ทำเพื่อเขาให้เงินเดือนก็ตอบแทนเงินเดือนแต่เธอไม่มาอยู่ในในหัวจิตหัวใจอะไรฉันในหัวจิตหัวใจฉันนี่เอเหมือนกับว่างกไปชาติอื่นๆด้วยถ้าเกิดว่าอยากได้ดิบได้ดีก็ต้องก็ต้องทําตอนนี้อันนั้นคือในความรู้สึกนะคะเอแล้วก็สุดท้ายจากที่ คิดว่ า, าตัวเองทำเพราะว่าเพราะว่าตัวเองใส่ใจแล้วตัวเองรับคำท้าคนอื่นจะเป็นอะไรยังไง ก, ก็ช่างก็ไม่สนใจฉันฉันเหมือนประมาณว่าฉันอยากได้ฉันอยากรู้เรื่องฉันอยากเข้าใจแต่ก็เข้าใจจริงๆนะคะหลายอย่างมากมหัศจรรย์กดอะไรนะคะอิบ อิทัตต จ, จยตาอะไรเนี่ยที่ของอาจารย์สุภีพูดพึ่งพึ่งได้ยินท่านพูดวันนั้นแต่จริงๆแล้วขออภัยที่ต้องพูดว่าเราได้ได้ทราบเรื่องนี้จากการที่เราแค่เดินไปเดินมาและยกมือมีหลายเรื่องมากที่เราไม่ต้องเปิดตำราเหมือนตัวเนี้ยเป็นตัวตำราที่ ถ้าเราทำไปแล้วเขาก็จะมีคำตอบออกมาการเกิดดับการแปลเปลี่ยนการมีนี้แล้วต้องมีนั้นการไม่มีนั้นแล้วก็ไม่มีนี้หรือไม่ก็มีนี้แล้วจะไม่มีนั้นอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่เหมือนถ้าเราทำแล้วเขาก็จะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาออมีเออใช่เอออะไรแบบเนี้ยค่ะออและสุดท้ายด้วยความคิดว่า เราทํำด้วยตัวของเราเพื่อตัวของเราแต่มีผลที่น่าอาัศ จ, จรรย์มาได้เกิดความอ้าเหลอนี่เหลือมันแผ่ไปถึงคนในครอบครัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวสาเหตุเพราะว่าเราเราไม่เรื่องมากเราไม่มีภาระเราไม่เป็นภาระแล้วเพราะของเรานี่ไม่ต้องจะกินจะอยู่จะใช้จะอะไรแบบนี้ของเราคือไม่ต้องเออจะ เนื้อแต่งตัวอะไรแบบนี้เออไม่ต้องค่ะเออจะกินของเธอเออไม่เป็นไรของเราจะเป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรดังนั้นเราไม่มีภาระเมื่อเราไม่มีภาระเราจึงมีเวลาแล้วก็มีกําลังที่จะดูแลคนอื่นทําให้ อ, อพฤติกรรมหรือทัศนคติหรืออะไรต่างๆของเ อ, อคนในบ้านอะคะ่ะพี่น้องในบ้านเนี่ย เหมือนสายตาเขาเปลี่ยนไปความเอื้อเอ็นดูความรักเราและรวมถึงความเกรงใจด้วย อ, อ่ฉันเองเป็นลูกคนสุดท้องแล้วก็อยู่ในครอบครัวของคนจีนมากที่น้องต้องเหมือนกับเป็นสายที่ตอบเยสอย่างเดียวคือคือค่อนข้าง พี่สั่งแบบไหนเป็นแบบนั้นแต่ว่าหลังจากที่มาปฏิบัติธรรมได้สังเกตว่าพวกพี่ชายที่อายุเยอะๆ เ, เกรงใจออจะจะไม่จะไม่กล้าพูดจะไม่กล้าว่าจะไม่เวลาที่จะให้ทำอะไรจะต้องเหมือนกับถามก่อนอะไรแบบนี้ว่าทำได้ไหมว่างหรือเปล่า แล้วก็มีท่าทีกับเราที่นุ่มนวลและระมัดระวังอันนี้คือสังเกตสังเกตได้เลยนะคะแล้วก็เราสามารถมีมีบทบาทได้เกื้อกูลกับผู้ที่ผู้ที่เขายังยังยังมีความต้องการทางโลกเยอะ เพราะว่าของเขานั้นจะอยู่ในประเภทอะไรไม่ค่อยพอเงินไม่ค่อยพอกำลังไม่ค่อยพอนู่นนี่ไม่ค่อยพอ ท, ทั้งทังที่จริงๆแล้วทุกบ้านมากกว่าเราแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อเรามามองกลับในในเวลานี้เขาน้อยกว่าเราไปหมดเลย ก็มันเป็นสรุปค่ะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้หนักหนาไม่ได้เป็นภาระไม่ได้เป็นงานอะไรเป็นความสบายสบายแต่ว่ามีผลมหาศาลค่ะก็ข อ, อข อ, อเรียบบีนะก็นั่ น, ะ น, น, นเดี๋ยวในรอบสองนี่นะ หมอวารต้องสอบวิญญาณตีให้จบแล้วก็งานแต่ก็ไม่ให้สอบหมอทวารข้อจ อ้เขาจะคงเกี่ยวสุดท้ายทยาวเลยผมทะเลยาวามตอนนี้จะเีสตอนนแรกมาลตอนตอนไปสวรรค์ไม่านอันนี้ขึ้จากสวรรค์ึจากรวกัออยาได้ให้บแล้วเดี๋ยวเสนอหมอทีบคุณสุกีจะแอ้ปัญหาให้คุณอาหาปัญหาข้อสน่ะแต่นี่หมอจอองงานให้จบก่อนเป็นหมอครับปครับก็คือเมื่อครั้งที่แล้วผมพูดถึงเรื่องที่ ประมาณปีสามแปดในผมก็ไปเรียนต่อนะที่เป็ต่อวิทยาโทนะที่คณะสาธารณสุขสาศาสตร์มหาลัยมิดลทีนี้ไอ้ไอพลังที่เหลือเน่ยจากจากการปฏิบัติเนี่ยมันยังอยู่นะมันก็เลยส่งไปคือให้มีพลังในการเรียนในการทำวิทยานิพนธ์นํำอะไรทีนี้พ อ, อจบวิทยาโทมาเนี่ยเดิมผมอยู่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิษถ์ พจมวยโทมาก็ไปเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยการสาธาสุขศิรินทรจังหวัดสุพรรณบุรนะีก็สมัครไปอยู่ที่นู่นก็ไปปลูกเบิกเนื่อ ง, งจากเป็นวิทยาลัยสาสุขใหม่ผมดินเสร็จใหม่ๆอาคารเสร็จใหม่ๆเลยไม่มีต้นไม้สักต้นเลยนะต้องไปบุกเบิกปลูกต้นไม้นะไปไปปลูกต้นไม้นะก็ทํางานหนักแล้วก็ ไปด้วยโอ้โหโอ้โหไปด้วไปหมดไปหมดโอ้ครับก็ไปไปบุกเบิกนะไปบุกเบิกก็เหนื่อยทํางานหนักนะแต่ว่ามันยังมีพลังเหลืออยู่นะพลังจาการปฏิบัตินั่นแหะก็ทํางานทํางานเยอะฮะแล้วก็ อ, อยู่ที่นั่นได้สองปีก็ไปเรียนต่อวิญญเอกที่เอคณะเวิทศาสตร์เขตร้อนมาเลยมิดนนะก็พอไปเรียนตอนไปเรียนวิญญเอกเนี่ยปีสี่สี่สองพันร้อยสิบสี่พอเรียนไปเรียนมามันมันแต่ผมรู้ตัวแล้วว่าไฟมันเริ่มจะหมดอะมันกําลังมันจะไม่พอแล้วตอนไปเรียนแล้วก็พลังทางใจเรามันมันเหลือน้อยอะเสร็จแล้วพอไปเรียนเนี่ก็เลยลําบากตอเนี้ย มันก็บังคับตัวเองแบบทุรักทุเลประกอบกับพอดีลูกก็เข้ามาวิไลลูกสองคนเนะี่ยเรียนพร้อมพ่ออีกพอดีก็เลยค่าเทอมก็เยอะนะก็เลยมานั่งแก้ปัญหาเรื่องหาเงินค่าเทอมเปิดเทอมแต่ละครั้งก็เรียนก็เรียนหนักเสร็จแล้วพอปีไปเรียนปีสี่สี่นะพอไปปีสีนะ่หกเนี่ยเรียนไป้สองปีก็ปรโกฏ่าไปสอบ มันจะมีคือเรียนวิทยเอกเนี่ยมันจะสอบวัดเอสอบปักเปล่านะมันจะมีรอบสอบปากเปามันมีสามรอบอ่ะรอบแรกเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยมันจะสอบวัดคุณสมบัติการเป็นวิทย์เอกซึ่งสอบปักเปล่าเนี่ยมันก็จะใช้ความรู้แบบกว้างๆที่เรียนไปทั้งหมดนะอ่ะสอบรอบยอนะ่อแหละพูดง่ายๆก็กรรมการก็ห้าคนแล้วก็ถามเนี่ยเอาไปยืนถามเสร็จแล้วเราก็ เอ ก, ก่อนจะสอบแล้วก็ไม่ค่อยจะพร้อมนะแล้วก็ไม่ค่อยสบายป่วยด้วย<อ>ก็ครับก็ไปนี้พอสอบแล้วมันก็ไม่ผ่านนะสอบตกพอสอบตกเนี่ยก็เลยก็เลยเครียดนะ แล้วก็พลังมันไม่มีละมันมั น, นที่สะสมมานั้นหมดละเพราะว่าตั้งแต่ปีสามแปดไปจนถึงปีสี่หกนี่ไม่เหลือแล้วคือคือรู้บ้างไม่รู้บ้างเลยตอนนี้เวลาเรารักษาตัวเองไม่ได้ลนะกําลังเราไม่พอวันวันอย่างนี้จะรู้เวลาเราเดินไปในระะลึกรู้บ้างไม่รู้บ้างมีบ้างแต่ว่าไม่พอนเะนี้พอไปเจอปัญหาหนักๆที่มากระทบนี่เราเราแก้ไม่ได้เราติดอารมณ์อย่างหนัก คือแบตเตอรี่หมด ม, มันไม่ใช่หมดอะ่ะแบบเสื่อมไปเลยพูดง่ายถ้าเป็นแบตเตอรี่นะเปลี่ยนใหม่เลยเทน้น hmm. แต่นี้ก็หมดแรงทีนี้หมดแรงก็เลยนึกถึงหลวงพ่อก็ทราบว่าหลวงพ่อคงจะอยู่ทางอีสานอะ่ะทีนี้ผมระหว่างนั้นผมลาไปเรียนผมก็มีความรู้สึกว่ามันยังมีเวลาเหลืออยู่เราไปบวชซะเลยดีมั <laughs> ้ยไปบวชสักเดือนไปแพร่แสงเทียนเลยนะ บวชแพทยแสงเทียนกะว่ากะด้ใจว่าบวชก็จะไปแอบปฏิบัติอยู่ที่แพทยแสงเทียนนี่แหละสักเดือนหนึ่งเนี่ยไปชาร์จไฟกันให้เต็มที่แล้วค่อยออกมาใหม่ออกมาสู้ใหม่ทีนี้พอไปเนี่ยก็ไปอาจารย์ศิลนก์กไปคุยอาจารย์ศิลนเสร็จผมก็ขอปฏิบัติอยู่ที่นั่นนะบวชได้ประมาณวันที่เจนะ็ดนะเดินโยงกลมเริ่มจะเมื่อยจะระบุมไปทั้งตัว ว, วันที่เจ็นี่นะ เสร็จแล้วไม่รู้หลวงพ่อมาอย่างไงหลวงพ่อมาหาไปงานศพนะเราถึงทราบไปงานศพญาติเสียที่แพร่ก็ไปแพร่แสงเทียนตอนประมาณบ่ายสองไปถึงที่แพร่แสงเทียนหลวงพ่อก็ไม่รู้เราผมบวชผมก็ไม่ได้บอกหลวงพ่อผมก็ปฏิบัติซุ่มอยู่ที่แพ่แสงเทียนนะพอหลวงพ่อไปก็ท่านอาจารย์ศรีเก็บอกว่าอาจารย์ถาวรมาบวชหลวงพ่อทราบหลวงพ่อบอก บอกให้จารย์ศิลมาบอกผมว่าให้เก็บบาทจีวรเตรียมตัวเดี๋ยวแปรกับหลวงพ่อคืนนี้บอกไปไหนไปถ้ำ่วงโปที่ใจยภูมานะถ้ำฮวงโปเพราะว่าหลวงพ่อไปเอาพระไปเข้าค่ายที่นั่นสองเดือนที่ถ้ำฮวงโปก็ผมก็เลยต้องไปคืนนั้นนะออกจากแพรสามทุ่มไปงานศพก่อนแล้วก็หลวงพ่อก็พาไปไปถึงที่วัดที่อยู่ตีนตีนเขาเนี่ย ที่น่าจะคอนสารนะคุณผู้คอนสารท่านมงโป้ท่านอาจารย์ลุงโปงก็อยู่ที่ค่ายเนี้ยท่า น, นตอนนั้นท่านอาจารย์ประมาณส่งพรรษาเนาะสามพรรษาเนะก็ไปท่ามงโป้พอไปถึงทําหงโปไปถึงที่วัดนั้นตีสี่จากแพร่รแรกก็หลับไปในรถมั่งตื่นม้างหลับมั่งปไปนอนที่วัดแล้วก็ตื่นเช้ามาฉันเช้าเสร็จก็ปีนเขาเลย เขามันชันว่าลูกลูกแรกนี่แทบจะหงายท้องเลยนะขึ้นมันชันมากแล้วเดินไดชั่วโมงกว่าก็ถึงธรรมซึ่งมันบรรยากาศดีมากที่นั้นนะเข้าไปนี่ยังไม่ทันเจริญสตินี่มันมันสมาธิหูนี่บิ้งเลยนะความเงียบความสงบอะแต่ธรรมที่นี่หนาวมากผมไปผมนอนไม่ได้ผมปวดกระดูกปวดต้องเดินจงกรมทั้งคืนนะนอนแค่สองสามชั่วโมงนะ แต่ว่ามันมันบรรยากาศดีดีมากสัตว์ป่าก็เยอะมันลึกนะป่าลึกที่นี้พราที่อยู่ที่นั่นก็มียี่สิบกว่ารูปวาตอหลังเหลืออยู่สิบรูปมั้งฮะก็เสร็จแล้วผมก็อยู่ที่นั่นประมาณสองอาทิตย์นะก็ครบกำหนดสองเดือนก็เสร็จแล้วก็ออกจากถ้าหวงโปมาก็ ไปขอนแก่นเนี่ยไปห้างโลตัสเลยในวันแรกหลวงพ่อพาเข้าห้างโลตัสยังสบักเซิบอมขโมยขโมยเลยนะเข้าผมจําได้ไปโลตัสปีนั้นปีสี่หกนะไปโลตัสหลวงพ่อก็ไปซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงอะไรจะเอาไปไว้ที่วัดป่าชัยมงคลนะ่ะหลวงพ่อไปสร้างศาลาไว้ที่นั่นนะผมก็ไม่รู้ดนะ้วยท่นไปสร้างศาลาเสร็จแล้วละ่ะทีนี้ก็ติดไฟอะไรเงี้ยไปซื้ออุปกรณ์ไปพร้อม ก็ท่านอาจารย์สมพงศ์ก็เป็นคนเดินสายสา ย, สายไฟทั้งหมดอะทั้งวัดนะนะจาราทั้งหลังก็ไ ป, ไ, ปไปเอาเปลไปฟไฟฟ้าไปติดไปอะไรเรียบร้อยก็ไปอยู่ที่วัดต่าเชนมงคลอีกประมาณสองอาทิตย์กว่าอยู่กับหลวงพ่อ ก, ก, ก็ได้ได้อารมณ์ดีได้อารมณ์ดีแต่เนื่องจากช่วงนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยสบายเลยทําได้ไม่ค่อยเต็มที่ต้องกินยาตลอดนะนะก็ เราอยู่ที่นั่นประมาณสองอาทิตย์กว่านะก็ก็ลาหลวงพ่อกลับสุดออกมาทีนี้พอมามันก็จะมีพลังเนี่ยคือคือวิธีหลวงพ่อเทียนมันจะมันจดีอยู่อย่างคือมันกระตุ้นนะมันจะอยู่สุขไม่ได้แหละมันจะขยันคือมันจะไปนั่งซบเซาอยู่ไม่ได้นะพอทำวันที่วิธีเนี้มันจะตื่นตัวไงมันสติสัมปชัญญะมันมันยิ่งเราทํามากมันยิ่งตื่นมันจะขยันมันจะอยู่สุขไม่ได้ มันก็มีแรงขึ้นมามีแรงก็ฟื้นก็กลับไปก็ไปมาไปเลยนะคณะวิชศาสตร์ก็ไปเรียนโผโ่ไปก็อาจารย์ก็บอกเอ้ยผมนึกวคุณไปผูกคอตายไปแล้วอันดับแรกก็เจอสอบอารมณ์บวเลยว่าหายไปหลายเดือนนะสอบตกแล้วก็หายไปหลายเดือนก็ก็ไปคุยกับอาจารย์ว่าไปบวชไปอะไรมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็ นะสอบเครียดตัวอีกอีกปีนึงนะกวจะได้สอบรอบอันนั้นปีหนึ่งทีนี้ก่อนสอบก็เริ่มเริ่มเครียดอีกลยเริ่มเครียดกลัวจะสอบตกอีกก็ผมจําได้ว่าก่อนสอบหนึ่งวันเนี่ยผมแต่ผมเครียดมาสองสามวันแหละผมรู้สึกว่ามันมีติดอารมณ์ <c oughs> กังวลก็เลยโทรไปหาหลวงพ่อว่าเนี่หลวงพ่อผมจะสอบพวงนี้รู้สึกว่ามันมันมันเครียดแนนอนไม่ก็จะหลับนะ <c oughs> คืนนี้นอนก็จะหลับ หลวงพ่อก็บอกว่าเตรียมตัวให้ดีที่สุดเ อ, อทําให้ดีที่สุดแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนี่ผมจําได้นะแล้วก็บอกว่า อ, อยศถาบรรดาศัก์เนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายชีวิตของเรา เ, เป้าหมายชีวิตของเราคือความสุขและความสงบแห่งจิตเนี่ผมได้ได้ยินคําเนี้ยมันเหมือนแก้อลมนะ ผมหลวงพ่อพูดแค่เนี้ยผมโล่งเลยนะผมโล่งแล้วผมนอนหลับเลยนอนหลับสบายตื่นมาคว้ากระเป๋าขึ้นรถเมย์ไปสอบเลยตอนเช้าแล้วก็สอบผ่านนะีอันนี้อันนี้ผมก็ส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากไอ้ไอ้สิ่งที่เราได้ทําแล้วก็สะสมมาจากการเจริญสติเนยะมันมันมีพลังนะแต่ว่าบางครั้งนะมันจะมีปัญหาแล้วเราก็จะไปติดจิตแต่มันเร็วอะ่ะ มันติดแล้วมันไปค้างมันติดบีบคั้นอยู่ตรงนี้น่ะมันไปวนเวียนอยู่อย่างงั้นไม่มีใครแก่นี่มีคนมาแก้ให้อะไรให้มันก็จะหลุดต่อไปอีกเดินต่อไปได้อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นเป็นเตัวอย่างอันหนึ่งนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็ทําวิญญาณิพนธ์ทําอะไรผมก็ใช้ตัวนี้นะเพราะเวลาเราเขียนวิญญาณิพนธ์เขียนอะไรบางทีมันติดนานนะมันเขียนไม่ออกคือจะเขียนให้มันดีให้มันถูกต้องเนี่ยบางทีนึกคําไม่ออกต้องมาเดินจงกลม เดินยกมุมไปเดินโยกมมมาอยู่บางทีเป็นวันครึ่งวันบางทีสองวันสามวันก็ก็ต่อไปได้คิดได้นะไอ้ที่ยากยากบางทีบางบางครั้งเราคาดไม่ถึงเล้วเราก็ไปเดินทำสมาธิเดินยยกมมเนะี่ยมันมันก็มีทางออกอันนี้ก็เป็นการประยุกต์เอาหลักการปฏิบัติเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ประสบกับตัวตัวผมเองนะ ซึ่งยิงแล้วผมก็หลังจากตั้งแต่ปีสี่หกมาก็มาเพิ่งมาเจอหลวงพ่อปีเนี้ก็เป็นเวลาสิบเก้าปีนะเนี่ยเราเพิ่งมาได้เก็บอารมณ์เนี่ยฮะกำลังมาตามหาอารมณ์เก่าจะไปตามหาอารมณ์เก่าเมาื่อยี่สิบปีอ่ะสิบเก้าปีที่แล้วอ่ะเราพออารมณ์นั้นมันหลุดไปแล้วมันจางหายไปเนี่ย ผมก็พิ่งมีโอกาสได้มาแล้วก็ไปที่ถ้ำมวงโปก็ไม่เจอนะยังไม่ถึงอารมณ์นั้นนะยังไม่ถึงนะแล้วก็ได้์หนึ่งเดือนนั้ก็สึกไปก่อนช่วงนั้นก็สุขภาพมาันก็ดีอะไรมันก็ดีแล้ว ก, กินยาอะไรด้วยเมาเสร็จแล้วก็เนี่ยเพิ่งมาเนี่ยมาเก็บอารมณ์ครั้งนี้ยนั้นในในเรื่องของการใช้สติเอ่อการเจริญสติเนี่ยมันเอาไปใช้ได้ในในชีวิตจริงนะอันนี้จากประสบการณ์ผมนะ แล้วแม้กระทั่งว่าเรื่องของครอบครัวปัญหาครอบครัวปัญหาคือคนเราเนี่ยบอกเกิดของปัญหามันมีไม่มากมันมีสองกลุ่มนะปัญหาเกิดจากครอบครัวเอาใกล้ตัวที่สุดเนียเอกชีวิตคารวะเนี่ ย, ยปัญหาจากครอบครัวกับปัญหาเรื่องหน้าที่การงานแค่นั้นนะนะซึ่งปัญหาครอบครัวก็จะแยกไปสามีภรรยาลูกญาติพี่น้องใช่ไหมฮะ ซึ่ ง, ซ, ง, ซ, งซึ่งสิ่งเหล่าเนี้เราเร า, เราต้องประสบพบมันอยู่ตลอดอะ่ะมันเป็นชีวิตจริงของเราที่เราต้องอยู่ในสังคมอะ่ะอันดับแรกคือครอบครัวซึ่งเราก็เอาไปใช้นะบางทีเรามีอารมณ์เถียงกันบ้างอะไรกันบ้างเแต่มีภรรยาอะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้จักทางหนีที่ไล่เหมือนเวลาเราแก้อารมณ์อะ่ะเวาเราปฏิบัติธรรมอะ่ะบางทีมันก็หลงกาไปในอารมณ์ใช่ไหมไปติดอารมณ์โกรธไม่พอใจอะไรเย เห็นได้ไม่ดีก็เดินหนีซะก่อนอะไรเงี้ยแต่บางทีต้องดูจังหวะนะเดินหนีเดินหนียังกวักมือว่าอย่าไปไหนต้องมาฟังให้จบ <c oughs> <c oughs> อันนี้ต้องต้องระวังเลยนะเพราะต้องดูจังหวะเหมือนเราเราปฏิบัติรมเร า, า, า, เราแก้ลงบางทีง่วงเงี้ยง่วงหรือไม่ก็ฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยบางทีเดินไปสมัยตอนแรกๆเนี่ยเดินครึ่งวันเนี่ยมันคิดไปตั้งครึ่งวันนะกว่าจะรู้ตัวหมดไปครึ่งวันค่อนวันแล้วไม่ได้เลยเลยเนี่ย ที่ทีนี้เวลามันมันอยู่ที่การวางจิตเนะี่ยคือคือถ้าเราวางผิดเนะี่ยมันมันติดขัดหมดเลยเวลาเวลาเร า, าปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะคนที่มีเวลาเวลาสั้นเจ็ดวันเนี้ยมันนับเวลาไงมันก็เลยเอาเวลามาบีบตัวเองอ น, นี้หมดเป็นหนึ่งวันนะสองวันนะยังไม่ได้อะไรเลยอะไรนี่โหยิ่งหนักเลยนะทุกสองเท่าเลยทุกสองเท่าฮะคือ คือเรื่องเรื่องพวกนี้มันมันพูดง่ายนะแต่ทํายากให้ปฏิบัติอแบบสบายสบายเนี่ยพอเอาขาจริงมันไม่ค่อยสบายแตะเคียมันก็จะบีบไปคั้นมันคือมันแว็บเดียวอะแค่แว็บเดียวเองอย่างวันเนี้ยเมื่อเช้าผมมานั่งยกมืออยู่ตรงเนี้ยเอ๊ะแต่อารมณ์ดนะียกลเบาสบายนะได้อารมณ์ดีจนะ้ะไม่อยากจะลุกเลยพนอะถึงถึงเวลาไปรับอาหาร แต่ต้องลุกๆุกไปก่อนเสร็จแล้วพอกินข้าวเสร็จไล่เสร็จพอกลับไปไปถึงก็อยากให้มันไดอารมอย่างเดิมอะพูดง่ายความอยากนะเด็กมันลืมตัวไปไหมจริงเราไม่ต้องไปหวังไปอะไรใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเวทนาใช่ไหมพอไดอารมดีก็พอใจใช่ไหมมันเป็นเวทนาเราก็ลืมีอ่อะ ก็พอไปนู่นก็อยากจะไดอารมณ์ไดอารมณ์อย่างที่มานั่งที่เนี่ยพอไปยกระหวานไปเลยหวานเหมือนเกลียวน็อตที่มันที่มันมันลื่นเลไปคือยกไปไหายไปไหนบ้เนี่ยแค่เนี้ยเราเกิดไม่ค่อยพอใจขึ้นมาใช่ไหมเพราะเราอยากจะให้มันได้อารมณ์ไงพอมันไม่ได้ปั๊บมันก็เลยแบบเอ๊ะหมกหิตนมันหายไปไหนไหชักรลมคาญตัวเองอะไรประมาณนี้มันจะแว บ, บขึ้นมาพอแว บ, บขึ้นมาเราก็ ยกสองลามครั้งก็เลยเดินออกไปนอกประตูพอเดินออกไปนอกประตูนึกขึ้นได้อะเอ๊ะเราไปมันเป็นไอ้นี่นี่ว่ามันเป็นอันนี้จังทุกขัของอาตาตาคือมันไม่เที่ยงนะเราไปหวังมันอะไอ้นี่ฮะการวางจิตเนี่ยมันมันเร็วมากนะมันผิดไปนิดนิดมันจะมีผลกระทบทำให้เราท้อแท้เบื่อหน่ายเซ็งไปเลยนะนมมีผลยาวเลยเรื่องเล็กเลกน้อยน้่ยนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดอะ เรื่องการศึกษาทางจิตเนี่ยผมว่ามันละเอียดมากเลยต้องต้องคอยระวังต้องคอยพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเหมือนกับง่วงอะ่ะผม ง, ง่วงสองสามวันแรกง่วงมากๆเลยแล้วมาคุยกับหลวงพ่อเมื่อเมื่อเช้าอะ่ะว่าผมก็อาบนา้ำด้วยอะไรด้วยมันก็ไม่หายนะคือผมปกติผมจะพอเริ่มบูบๆมาแล้วก็จะรีบลุกใช่ไหม ผมก็รีบลุกลุกไปเดินเดินก็ไม่หายไปอาบนา้ําสระผมเลยนะลงทุนสระผมอาบนา้ํามันก็ไม่หายผมก็คงก็ไม่รู้จะทาําไงผมก็นั่งยกมือมันมันก็หลับประมาณสักห้านาทีสิบนาทีมันก็งี่ไปนะมันหลับจนได้อะคือ <c oughs> คือใจทํายังไงไม่ให้มันหลับเพราะมันหลับแล้วเราก็งุดหงิดเอ๊ะมันทำไมแก้ไม่ได้ก็เลย ค, คุยกับหลวงพ่อเมื่อเช้าหลวงพ่ อ, พ อ, พอผมน่าจะ ทำโยคะมั่งอะไรมั่งซึ่งจริงวิธีการมันมีเยอะนะแต่เราไปยอมจนมุมมันนะผมยังไม่คิดได้อยู่อันหนึ่งว่ามันน่าจะออกไปตากแดดนะเดินไปทางแดดแดดนั่นอ่ะดูด้วยมันจะง่วงแม่อะไรเงี้ยคือคือมันต้องหาวิธีไปจนสุดอ่ะแต่บางทีพอเราคิดไปได้สามสี่อย่างแล้วก็ไปยอมแพ้จนมุมแล้วก็ยอมมันอะไรเงี้ยจริงจริงๆเพราะเราขี้เกียจแหละพูดง่ายขี้เกียจไปแก้ไขขี้เกียจไปเลยมันก็เลยจมอยู่อย่างนั้น อันนี้ก็เป็นเป็นข้อคิดอันหนึ่งนะที่ผมที่วงแบกขึ้นมาว่าน่าจะมันจะต้องมันจะต้องแก้กันให้ถึงที่สุดอ่ะมันมันมันถึงจะก้าวหน้าอะไรประมาณเนี้อันนี้ก็เป็นเป็นข้อคิดนะสําหรับคนที่อาจจะเริ่มใหม่ๆเนี่ยมันเพื่อมีความท้อความเซ็งความไอเซ็งเซ็งเบื่อเนี่ยพอมันไม่ได้ดั่งใจแล้วมันจะเซ็งมันจะพานเป็นเหตุให้เกิดความเซ็งความเบื่อ ที่บางคนมาตั้งใจจะมาอยู่จิตวันแล้วอยู่ไม่ได้สามวันแล้วหนีอ่ย่างงี้แหละมันทน เ, เรื่องอย่างงี้นะพอไม่ได้อย่างหวังเบ่อยเข้าเบื่อเข้าแล้วเราไม่ทันอารมณ์ตัวเองเนะี่ยเซ็งเบื่อไหนทําไปก็แบบนี้แล้วกลับดีกว่าเนี่ยหรือบางทีก็หาเรื่องคว้ารถเปิดไปหาซื้ออะไรกินซึ่งถ้าเป็นสถานที่ที่มันอยู่ใกล้เมืองนะไปแล้วคนที่มาใหม่เนะี่ยผมว่าจะจะจ ะ, จะอยู่ยากแล้วถ้าเป็นที่สะดวกนะต้ามาอยู่ป่ายเงี่ยดีแล้ว เนี่ยผมมาอยู่สี่วันนี้ไม่เคยส่งกระจกไม่รู้หน้าตัวเองเป็นอะไรยังไงเลยอะไรเงี้ยอย่างเางี้ยผมว่าดีแต่ว่าเราก็ไม่ลําบากมากนะที่อยู่อะไรอาหารอะไรก็ ก, ก็ก็ดีแต่อย่าให้มันชุบสบายมากนะักมันมันจะเราเคยมาแล้วไนงะเราอยู่ในสังคมเนี่ยอะไรมันก็สะดวกหมดอะ่ะมันปวดไปแล้วครับครานี้ท่านผู้ใดมีปัญหา ถามทั้งสองท่านครูเสือพีก็ได้อาจารย์พลบอคิดก็ได้แต่เกณฑ์เด็กอาจจะมีพระกระดเพีนงอยา่างนี้มีคำถามไหมฮะค<อ>งไม่มีมั้งสิ่งที่ตลกที่สุดของตัวเองคือว่าตัวเองคิดนะว่าตัวเองจัดคอนเสิร์ต ท, ที่หอจุไม่เห็นนะโดยว่ามีพระแต่ละวัด ไปแสดงคนละแบบเคยลูกชายหมอเป็นเป็นนักจัดคอนเสิร์ตนะมีอยู่เดือนนึงจัดพร้อมกันเลยฮะเขาคอนเสิร์ตของเขานะดาราอะไรกูรู้เราคอนเสิร์ตของเรามันก็ก็คิดว่าเออเหมือนจัดคอนเสิร์ตนะมีคำถามเลยรไฮะมาขถามต่อได้ไหค่ะคือการไปจัด คอสที่หัวหน้าหัเนี่เรารู้ว่าทางการเจ้าหน้าที่บวเนี้สำเร็จก็ไม่ไปอะไรกับเราใช่แต่ที่การที่เขามีข้อจำกัดเงื่อนไขต่างในการใช้สิที่ที่าพูดมาบองครั้งเรารู้สึกมกนผิดไหมในระเวลาบาทีเราไม่ไม่คอใจเรมมีจเรามีวิธีแก้ไขกได้เลยคือมันเป็นเรื่องแปลกนะฮะเพราะว่า ถึงจุดนั้นเรารู้ค่ะว่าเราจะต้องอะไรฮะไม่ไม่ทําให้เกิดเรื่องคะคือคือปัญหามันดีว่าคนของเราทนไม่ได้ใช่ไหมฮะคนของเราก็จะอาจารย์ไปเถอะไปที่อื่นที่นี่มันไม่ไเรื่องเลยเดี๋ยวไปหาที่อื่นจัดให้อะไรอย่างเงี้ยก็จะใหม่อย่างเงี้ยะแต่เรารู้ว่าประโยชน์ของเราตรงนี้มีอยู่ใช่ไหมฮะเรารู้แล้วว่าแต่ทอจะไม่เห็นเนี่ยมันภาพมันดีกว่าอันนี้เราสร้างภาพของขอ ง, ของสายเนี่ยนะฮะภาพมันดีกว่า แล้วในระยะยาวเนี่ยมันดีกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นตัวเองก็อารมณนะ์เอรูอย่างหมายถึงว่าเราไม่โกรธเขาความที่ความที่ไม่มีโกรธเขาเนี่ยฮะพอเราพูดไปเนี่ยฮนะเรากเราเห็นใจเขาเอองานคุณต้องทำงานเราเข้าใจแต่งานของเราเป็นอย่างนี้อย่างงี้นะคือเราพูดดีๆกับเขาเนะ่ยเขาก็จะรับเพราะฉะนั้นเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยความโกรธมันไม่มี่มันก็เลยทาให้ให้อยู่ได้เพราะว่าตอนหลังนี่ฮะสิ่งที่น่าประทับใจคือว่าคนที่มีปัญหากับเรามากๆน ะ, ะตอนนี้มาช่วยงานเรา ตอนนี้มาช่วยงานเราแล้ว哈เพราะว่าเออเขาเห็นว่าเราทํางานเนี่ยโอเคแล้วมีคนมานะเขาก็อยากจะมาช่วยเรานะะตอนนี้เขาก็กลับมาช่วยเราแล้วเขาก็คือคือพระเอิญเขาคุยออกับคนอื่นนะตัวเองตัวเป็นกินมาเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาก็วีนกับหมอหน้าดูแล้ววันี้เขาวีนกับหมอหน้าดูแล้วคนก็ถามว่าแล้วพอวีนกับหมอแล้วก็หมอทํำยังไงไอน้นี้นี่เด็กมาเล่าให้ฟังนะบอกหมอก็เฉยเฉยเขไม่เห็นว่าอะไรเลยนะมันก็เลยกลายเป็นว่า สงบอย่างที่หลงพ่อว่าความสงบเนี่ยมันเอาชนะได้นะฮะเอาชนะก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้หอจนเหตุเกรงใจเรามากเราจะทําอะไรเนี่ยเขาก็จะให้นะเพียงแต่ตัวเองไม่มีแรงจะทำํำเหมือนอย่างว่ามีใครไ ป, ไปโพสตเข้าไม่ทราบะเดือนหน้าเนี่นะฮะใครไปโพสตเข้าไม่ทราบว่าเด็กที่สมาธิสั้นเนะี่ยสายเราดีมากหมอก็าปรุงทันทีเลยทำทัทนที <laughs> เพราะฉะนั้นเดือนหน้าจะมีฝึกเด็กนะ เดือหน้าเราก็จะเปิดฝึกเด็กแล้วเราก็ทําโปรเจกต์ไปให้ก็าละห่าว่าคือคือคืออย่างที่ว่ามันแปลกค่ะว่ามอมาฝึกสายนี้แล้วเนี่ยมันจะเขียนได้เหมือนอย่างที่อาจารย์ทวกว่าเมื่อก่อนเขียนหนังสือไม่เป็นหรอกนะฮะตอนที่จะไปไปก่อนเขียนหนังสือไม่เป็นแต่ว่าเวลาปิดปั้มเนี่ยพอสร้างจังหวะมันจะออกมาว่าควรจะใช้คําอะไรคําอะไรนะฮะเหมือนในครั้งนี้เหมือนกันของเจะของเด็กเนี่ยเราก็ตั้งมาว่าเราจะเ อ, อสอน สติทำให้เด็กทำอ่ะหมายให้เด็กทำสติทมให้เด็กทำนะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งซึ่งว่าส่งโปรเจกต์ไปเขาละหานแล้วไม่ทราบว่าเขาจะประชาสัมพันธ์ให้เราไหมถ้าประชาสัมพันธ์คงจะเติมมีค่ะลวงพ่อเพราะว่าเด็กสภาที่สั้นเต็มไปหมดค่ะขอพ่อจันทร์มาไม่ตด้วยสเปรคือว่ามันก็เป็นธรรมชาติจัดสรรอ่ะคือเดือนหน้านี่พระจานทร์ดวงสิมจะไปใช่ไหมพอพอพอพรจารย์ดวงสิมไปหมอก็เลยจัดให้เลยโทรไปบอกพระจันทร์ดวงสิมแล้วค่ะว่า ตกลงให้ท่านเอาเ น, นมานะเพราะท่านมีเนร์ น, นะว่าท่านเอาเ น, นมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแล้วก็ให้พ่อแม่ก็ดูนะแล้วก็บอกเมื่อคีนมีคนมาถามว่าปัญหาจะมีอะไรปัญหาคือบอกพ่อแม่เด็กไม่มีปัญหาเด็กมันวิ่งเล่นมันก็เรื่องธรรมดาแต่พ่อแม่จะอายน ะ, ะว่าลูกตัวเองทาไม่เป็นอย่างนี้เราะานั้นพ่อแม่จะเป็นคนถูกสอบอารมณ์อ่ะครั้งนี้ <laughs> อันนี้ก็เป็นอีกอีกอันหนึ่งนะว่ามีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็โปรเจกต์นี้ก็เลยเขียนไปบอกว่ามันเป็นการสอน เด็กเพราะว่าเด็กกรุงเทพเนี่ยฮะเรียนทุกอย่างนะเรียนดนตรีเรียนเต้นลําเรียนอะไรสารพัดเรียนอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะสอนสติให้เด็กอ่เราบอกเราจะเปิดคอสให้เด็กเรียนนะ เ, เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากแล้วหมอจำเหตุเขาก็ยินดีนะว่าะอื่นเขามีคอสออวาดรูปอยู่ข้างล่างนะคะเราก็บอกอาวอยางงั้นก็ฝึกเด็กตอนเช้าเข้ามาถ้าเด็ก พ่อแม่ไม่ไหวก็เอาไปเรียนข้างล่างแต่ยังไงก็ส่งครูข้างล่างมาเรียนสติกับเราก่อนนะเพราะครูจะว่ารู้ต้องมีส ต, ติก่อนเสีแสงสัยเขาจะไม่ส่งขึ้นมีคอร์สผู้ใหญ่ ส, สมาธิสมาลับยูนะผมก็อินผมก็ไม่รับออมีก็อ่อแทนนะอยากจะถามายโยมทิรปีนะวิธีที่เราทีสาธิตสอนหนึ่งค หมืนเว่าปัญหาในครอบครัวเนี่ยเรื่องลูกเรืปเป่องสามีเรื่องอะไรต่างระยะห้ปีที่มาคุยไม่ได้พูดถึงปัญหาตรงนี้เลยไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าปัญหาอะเรื่องครอบครัวอ๋อไม่มีค่ะเพราะว่าเพราะว่าไม่มีค่ะ <c oughs> <c oughs> อะคือว่าจิตวิตของขอ ง, ของใช้คําอะไรแทนโยมเหรอคะเห <c oughs> ็นไ้มไม่ไม่ไม่ไ ม, ม, มีคือไม่มีความรู้เรื่องวัดเลยค่ะ แต่ชอบยกมือค่ะเรื่องพระเรื่องบาลีอะไรนี้ไม่รู้เรื่องเลยคือชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรเลยบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีลูกสามีอะไรนี้ไม่มีมีแค่เงินเดือนอย่างเดียวแต่หลายครั้งมากที่แบบเออมีพระอะไรสักองค์หนึ่งเคยพูดทำนองว่าแบบนั่งกระดิกเท้ามันจะเป็นอารมณ์อย่างนั้นจริงๆการไม่มีอ่ะมีความสุขค่ะ จริงๆค่ะเขาเงินเดือนเยอะไม่เงินเดือนรวมกันสองคนสามีภรรยาก็ตกประมาณแสนหนึ่งปรากฏว่าได้เงินเดือนใช้จริงๆประมาณห้าพันโอ้ยอุ๊ยมีบ้านหลังเบลอเลยตายของเราจน พาเขาไปเกินครึ่งร้อยมาตั้งเยอะแยะแล้วยังไม่มีสักตกิปที่สั ก, กแบะมือหนึ่ง mm hmm. แต่มาโรงเรียนด้วยหน้านิ้วคิ้วขมวดด้วยแบบคุนมัวอะไรแบบนี้ค่ะ mm hmm. กส็สรุปว่าแต่และคนเร า, านั่งมองเราเลยได้มีโอกาสเป็นผู้มองแล้วก็เหมือนกับ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เห็นไหมนี่ไงดูไว้ mm hmm. แบบนี้ค่ะข้อที่สองว่า การที่ทํางานที่โรงเรียนเนี่ยเรเกี่ยวข้องกับครูเป็นนักเรียนในหลนะักสูตรที่ทํางานในโรงเรียนมีปัญหาเออขอเรียนหลวงพ่อตามตรงปัญหาเยอะออปัญหาทั้งกับเพื่อนร่วมงานที่มีสารพัดรูปแบบปัญหาทั้งกับเด็กที่นับวันคือเด็กเขาจะเท่าเดิมเขาจะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดกี่ปีกี่ปีเขาก็สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแต่เราผ่าไปเรื่อยๆ จนเยอะจนสี่สิบจนห้าสิบมันก็จะพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแบบนี้ออกับผู้บริหารก็คนนั้นมาก็แบบน า, นานารูปแบบปัญหาเยอะค่ะแต่ขอเรียนตามตรงไม่สนใจเลยเลยเพราะว่าจริงๆค่ะตั้งแต่มาทำนี้พอทำไปแค่ได้หน่อยเดียวโอ้ฉันเจอแล้วนี่ละเออต้องเกาะไว้ดังนั้นก็คือ ทำหน้าตาเบิดบานทำงานอะไรอย่างนี้อย่างเช่นไปยืนหน้าเสาธงอย่างนี้เมันพริกผันค่ะเพื่อนๆนนักเรียนแม้แต่ผู้บริหารก็มองว่าตัวเองเนี่ยขยันเอาใจใส่ในการทํางานก็เราก็ได้แต่ขาๆในใจคือเปล่าเป็นว่าเราอยากปฏิบัติมากกว่าไอ้ที่มากระดุกกระดิ๊กอะไรอย่างเนี้ยแล้วเวลาทําคือจะขยันกระดุกกระดิ๊ก เอาสิ่งนั้นะ่ะมาเป็นประโยชน์ของตนเองแท้ที่จริงเออเวลาที่ใครก็จะมาคุยเราก็จะรีบคว้างานเข้ามาแล้วก็ทำขีดทำเขียนอะไรไปยุ่งมากงานเยอะมากก็จะเป็นที่โจทย์ขานว่าครูคนนี้งานยุ่งงานเยอะทำงานมากอะไรแบบนี้ก็แลเป็นที่รักของค่ะเปิดเผ ย, ย, ยที่นี่ได้ค่ะ เมื่อเขาเห็นเคย อ, อย่างแบบนี้แน้วมีครูคคนักเรยนคไหนอยากเนี่ยมาปฏิบัติได้ไห ม, มเคยเผยแพร่เคยนักเรียนค่ะค่ะ อ, อมีนักเรียนที่ร้องไห้แบบโอ้ยเหมือนกับว่าโลกจะดับไปแล้วอะไรอย่างนี้ทั้งๆที่เด็กคนนี้เป็นเด็กที่เรียบร้อยแล้วก็ล่าเริงแจ่มใสอะไรแต่ว่าไม่ใช่เป็นนักเรียนที่ที่สอน เขาก็มานั่งอยู่หน้าห้องเพื่อจะมาพบครูคนหนึ่งเขาก็ร้องไห้เสียโอ้โหเป็นวักเป็นเวนเออมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราเนอะเออเราจะเอาอยัางไงดีจะสักแค่ไหนดีปรากฏว่าครูคนที่เขาต้องการพบก็ไม่ไมาอยู่ก็ออกไปเ อ, อถามเสียแล้วทุกสุขดีบว่ามาธุระอะไรเสียอกเสียใจอะไรก็ได้ความว่าจะต้องการมาพบครูคนนี้แล้วก็เลยพูดขเขาไปว่าเออ กพราะความคิดแหละนะเนาะหนูมีความคิดเรื่องนี้เรื่องโทรศัพท์หนูมีความคิดเรื่องนี้ห น, นหนูก็เลยทุกเยอะแต่ถ้าเกิดหนูไม่มีความคิดเรื่องนี้หนูก็คงไม่ทุกหรอกนะเนาะตกลงว่าทุกวันเนี้ยความคิดก็ทําร้ายหนูคือก็พูดกับเขาแค่นี้แล้วก็คิดว่าก็จบกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเขาได้อยู่แล้วเนื่องจากเราไม่น่าจะยื่นมือไป ก็ปรากฏว่าเขาได้พบกับครูคนที่เขาต้องการพบตามความต้องการเขาแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็มาเขาก็มานั่งหน้าห้องอีกเออหน้าตาแลดีขึ้นเยอะอ้าววันนี้มาพบครูกันนั้นอีกเหรอไม่ค่ะวันนี้หนูจะมาพบครูแหละ mm hmm. ก็ง ง, งว่าเอปก็ไม่ได้เป็นคือสอนก็ไม่ได้สอนแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยอ้าวมีเรื่องอะไรหรอคะ หนูยังสงสัยหนูยังติดใจสิ่งที่ครูพูดเมื่อวานว่าหนูทุกข์ไปเพราะความคิดเออถ้าหนูไม่มีความคิดหนูก็ไม่ต้องทุกข์หนูมีความทุกข์หลายอย่างครูช่วยเล่าอะไรก็ได้ให้หนูฟังก็เลยก็เลยเล่าอะไรตามภาษาของตัวเองอะค่ะว่าอย่างเช่นหนูกินอาหารเออ แาที่จริงอย่างเช่นว่าหนูกิน อ, อ, อะไรนะผัดกะเพราหรือว่าผัดกะเพราอร่อยใช่ไหมค่ะหนูเติมเอาเป็นว่าเราไปกินผัดกะเพรากันหนูเติมเลยลดที่หนูถูกใจอ่ะเติมไปเลยมากมากเลยอ่ะตกลงเข้าใจแล้วเติมค่ะเอามาทาตัวคือตัวเองก็จะค่อนข้างเป็นคนมีความคิดแผลงๆเอามาทาตัวอร่อยไหมอา้าว หนูจะไปรู hey, ้ได so ้ยังไงว่ามันอร่อยไหมอ่าก ak ็ไ la ั normally, ay, ่นแห่ะสิแตมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมไม่รู้เรื่องหนูใส่น้ําปลามากไปหรือหนูใส่น้ําตาลเยอะไปหนูก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่รู้เรื่องอ่ะอ่าหนูจะรู้ได้ไงว่ามันอร่อยไม่อร่อยเอาใจงั้นหนูเอาเข้าปากตกลงไอ้รสที่อร่อยของหนูเนี่ยหนูเอาเข้าปากสีขาวอร่อยมากไหมอร่อยค่ะตกลงว่าไอ้ที่อร่อยเนี่ยมันเป็นที่ผัดกระเพรา หรือว่ามันเป็นที่ความคิดเพราะว่ามันคือผัดกระเพราจานเดิมคือก็จะอธิบายอะไรประมาณเนี้ยก็คงจะไปกระแทกใจแกแล้วก็บอกว่าอ่ะหนูอยากกินอะไรบอกมาสมมติว่าพิซซ่าครูไม่ให้หนูกินข้าวสองมือ้อเสร็จแล้วหนูก็ครูก็เอาพิซซ่ามาเสิร์ฟหนูเลยนะคาที่หนึ่งหนูมีความรู้สึกอย่างไรโอ้ก็ต้องอร่อยมากอาตกลงว่าครูสั่งมาอีกสองถาด ต้องกินให้หมดนี่นะระหว่างคําที่หนึ่งกับคําสุดท้ายหนูมีความรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรโอ้ยคําสุดท้ายหนูก็แย่แล้วหนูก็คงกินเข้าไปไม่ได้อีก mm. ก็เลยบอกเขาบอกว่าถ้าครูบังคับเธอให้กินจนถึงคําสุดท้ายถึงเธอไม่ยอมอยังไงครูก็จะบังคับเธอเธอคงแทบอ้วกแตกแล้วร้องไห้ใช่ไหมใช่ค่ะตกลงว่าหนึ่งกับคําสุดท้ายคําที่สิบหรือยี่สิบกันแล้วแต่ มันคือความคิดมัง้งมันคงไม่ใช่พิซซ่ามัง้งคือก็พูดอะไรประมาณเนี้ยแกก็เลยเออครูนี่พูดอะไรแปลกๆเนาะทําไมคนอื่นก็ไม่เห็นพูดอย่างนี้เลยครูนี่มีความคิดอะไรแปลกๆก็เลยเฉลยเขาเออว่าะเขาก็ถามว่าทําไมครูถึงมีความคิดอะไรประมาณแบบนี้แต่ได้พูดกันอยู่ในเรื่องตัวอย่างทํานองอย่างเนี้ยค่ะหลายอย่างก็เลยเฉลยเขาแล้วก็เอาหนังสือ หลวงพ่อเทียนอะเล่มที่คิดว่าเบาบางที่สุดกลับไปให้ลองอ่าน ด, ดูแล้วก็บอกว่าเออปิดเทอมเนี้ยครูจะไปวดัดตอนนั้นไปวัดสุขโตค่ะเอะไปสักเจ็ดปวนันหนูอยากลูกหนูไปกับครู ก, ก็ได้แกก็เลยตามไปอ่ะค่ะสําหรับค่ะค่ะได้ลูกศิษย์คนหนึ่งสําหรับนักเรียนที่สอนเป็นห้องอย่างนี้ก็ เวลาที่เขามีปัญหาหรือไม่เรียนหนังสืออะไรพวกนี้ก็จะก็จะก็จะพูดกับเขาอะค่ะือ้โหหลายสิตมินแล้วแบบอ๋อไม่ไม่ได้สนใจค่ะแต่เด็กๆ เ, เนี่ยวัยรุ่นเด็กเขาจะประมาณสิบหกสิบเจดเขาจะเป็นอะไรที่พูดยาวไม่ได้เขาจะไมเ่เคยเจออยู่ครั้งหนึ่งอย่างแรงมากเด็กคนนี้เป็นทอม ค่ะเขาก็จะออกลิฟต์ออกเดทกับครูทุกคนค่ะกับตัวเองเขาก็ออกออกลิฟต์เออก็เคยพูดเขาเรื่องผมเรื่องกระโปรงเรื่องอะไรต่างๆนานาเสร็จแล้ววันนั้นเขาก็มาเขามาสายมากประมาณสิบห้านาทีซึ่งตัวเองนี่จะเป็นคนระเบียบค่อนข้างระเบียบแต่ไม่ปีตัดมาอ่าเออออกไปข้างนอกก่อนนะเขาก็ก็โกรธมาก ให้เขาไปยืนส ง, งบสติอารมณ์ประมาณสักสิบนาทีเสร็จแล้วก็อ่าเปิดประตูให้เขาเข้ามาเป็นประตูล็อกกระจกอ้าเข้ามาได้เขาก็ใส่เลยด่าเลยจุบจ๊บจุบจ๊บเข้ามาได้แล้วใช่ไหมเออไม่มีเหตุผลเลยเอออะไรนะเขาก็ประมาณว่าไม่เห็นจะเป็นเรื่องเป็นเล่าสักหน่อยแค่นี้เองอะไรแบบนี้แล้วก็ คือปึ่งมาอย่างอย่างแรงกะหวังผลกะใหญ่กว น, นี้แน่เออใหญ่กว น, นี้ก็นั่งเฉยไม่ได้วัดคือนักเรียนทั้งห้องตะลึงมากแบบเอาแล้วเป็นฝ่ายปกครองด้วยใหญนี่ต้องโดนแน่ได้ขณะนั้นของตัวเองอ้าอีหนูคนนี้ได้ทดสอบฉันแล้วฉันได้แบบฝึกหัดแล้วเป็นอะไรที่เป็นอย่างนี้จริงก็นั่งนิ่งก็ไม่ว่าอะไร คือปีตแรกของเขาเสร็จแล้วเขาก็อ๋อทำไมไม่ตอบอะไรหรือว่าประมาณทานองนี้แล้วก็เลยเป็นเป็นแบบจจอยๆแล้วค่อยๆไปนั่งแล้วไม่พูดอะไรคือไม่พูดแล้วไม่บ่นอะไรเลยและตัวเองก็ได้เอาแหละฉันจะแสดงให้พวกนี้ได้เห็นถึงสติและอนุภาพของการรู้จักควบคุมตัวเองอ่านะคะ ผู้ใจอย่างเพราะเลยค่ะคุมสติอย่างดีเรียบร้อยเหมือนไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นทั้งทั้ ท, ที่จริงๆแล้วแรงมากคือแรงมากๆตกลงว่าก็ได้ก็สอนกันไปนับจากวันนั้นหนูคนนี้ไม่กล้ามาสายและไม่เคยทํากิริยาชั่วร้ายแบบนั้นอีกซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทํามากระจุกกระจิกกระจุกกระจิกมาตลอดแต่วันนั้นเป็นอะไรที่แบบฉันต้องการโชว์เพื่อนเลย ด้วยการฉากกับครูันนี้แต่ครูคนนี้กับเปลี่ยนพฤติกรรมเสร็จแล้วปรากฏว่าผลการเรียนเขาก็ตกเขาก็ได้ศูนคือตามตามเกณฑ์ของเขาน่ยลหละเขาก็ต้องมาซ่อมค่ะแกแก็เกกบก็เรียกให้แกมาซ่อมสอนเขาคนเดียวแต่ว่าเวลาซ่อมก็มีซ่อมหลายๆคนแต่เนื่องจากเขาอ่อนเขาเขาไปเอาทางร้ายๆหมดเลยทุ่มหนึ่ง แปลว่าสอนตั้งแต่โรงเรียนเลิกสี่โมงซ่อมเขาสอนให้แบบฝึกหัดไปด้วยอ่านแล้วก็มาส่งส่งแบบฝึกหัดหนึ่งก็ตรวจกันไปแล้วก็อบรมไปสองสามคำแล้วก็เอาไปทําใหม่แล้วก็กลับมาอบรมไปสองสามคำเออแล้วก็พูดเรื่องเรื่องบุญคุณของแม่อะไรแบบนี้เด็กก็ร้องไห้พอเด็กเลื่อนชั้นไป เด็กก็เป็นพอมาเจอเด็กก็จะไหว้ด้วยนอบน้อมแล้วก็พอเวลาที่หันไปพูดอะไรกับเขาเขาก็จะคือจะรีบรับคำแล้วก็จัดแจงตกแต่งทำตามอะไรแบบนี้แต่เราก็ต้องรู้ว่าเด็กเขาด้วยวัยแล้วก็ด้วยสภาพครอบกลัวอะไรต่างๆดังนั้นเราก็จะไม่ไปจี้ไม่ไปจี้แบบเค้นให้เขาเค้นให้เขาหลุดอะไรแบบนั้นก็จะพูดแค่สองสา ะดูไปช่วยหมอพอนพทพอจดเด็สมาธิสั้นไพหอไม่แต่จะ้ครูเล่ใหม่หมอพอนพิทเลยคนงานใหม่แล้วะไม่ไม่ถนัดนะะสมาธิสั้นสมิคุณหมอพระบสกเาถามปัญหาตรงนี่ว่าได้ข่าวว่าในช่วงดังกล่าวเนี่เตอนียนอยู่ได้ทำงานอยู่ได้สูญเสียลูกชายไปคนน เหตุการณ์ในใจเป็นอยางไงรับผเพราะนั้นชาตที่ได้ถึงตาตาเราอาจจะเจอที่มีปัญหาหรืออะไรกันแีความรู้สึกเป็นยังไงในการสูญเสียกคอับ <c oughs> จริงๆผมก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันนะว่าบางทีเราเสียลูกไปคนหนึ่งอ่แต่ลึกๆมันก็มีนะมีแต่ว่ามันมันแต่แปลกใจตัวเองว่ามันมันไม่มากคือถ้าคนทั่วไปนี่มันจะแบบ มันจะเศร้าไปเลยแบบแบบสิ้นหวังหรืออะไรอย่เงี้ยนะอย่างแฟนผมเนี่ยแทบแทบจะเป็นลมอะ่ะคือดมยาดมแล้วดมยัน ด, ดมอีกอะ่ะคือคือแย่เลยนะสภาพแฟนผมเนี่ยแต่ผมผมมีความรู้สึกว่าผมก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันเอ๊ยลูกตายไปทั้งคนเนี่ยเฮ้เรามันทำไมคล้ายๆว่าเราใจมันโหดไปหรือเปล่าหรื อ, ร อ, อยังไงคือคือ คือมันก็มีนะมีควารู้สึกเพราะว่าไอความผูกพันที่เราเคยเลี้ยงดูเข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็มันก็มีอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแม้กระทั่งพี่สาวที่ที่เพิ่งเสียไปเนี่ยคนที่หลังเนี่ยผมก็ผมก็ยังรู้สึกเฉยเฉยอยู่นะมันมันอาจจะเป็นเพราะเราเข้าใจไว้มันคนเรามันก็ต้องตายอนะ่ะมันอยู่ก็รู้สึกว่าคือเราก็อย่างเวลาเขาป่วยเนี่ยเราก็เอาไปรักษาเอาไปดูแลอะไร ที่สุดอะก็คิดว่าเขาคงหมดบุญ่ะถ้าเขาถ้าเขาไม่ไม่หมดบุญเ่ยเขาจะต้องหายจะต้องอยู่กับเราเพรา ะ, ราะผมสังเกตเหคนบางคนไม่น่าตายตายบางคนนี่เขา้าไอซยูแย่เลยนะไม่น่ารอดนะกลับมาทำงานอยู่คนข้างบ้าน่ะแต่พี่สาวอะดูเหมือนไม่ค่อยได้เป็นเป็นมากมายเลยนะอาการไม่นก็ไม่ไม่ได้เพียมแย่เลยตายอย่างเงี้ย คือคือผมก็มองดูว่ามันเป็นเรื่องเอ่อมันเป็นเรื่องวิบากกรรมเป็นเรื่องการเรื่องบุญเรื่องบารมีอะไรไปอย่างนั้นนะ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยเสียใจเหมือนปกติทั่วไปมากนักนะรแม่่อนในครอบครัวแล้วสูญเสียลูกมีอนกันแต่ว่าผู้เป็นแม่นี่นะครับมันก็เรี่ยงไปรเรืย่ยนะครับเรียรเร่ยงไปแต่ว่าผู้เป็นพ่อไมรู้สึกอะไรเลย ครู trabalho, out, been around, been around. Been around. ้ส um, ึกแตกต่างกันมากเลยในที่นี้ดังนั้นก็เลยในช่วงเด็มานีนะที่เราได้วามสาระแต่จะให้การคงต่อทุหมดเวลาพรูงนี้ช้กยาวพรุ่ที้เช้าเพราะฉะนั้นพรู่นี้ถวายเวลาพรุ่นี่เช้าแราเลยกันเพรดเวลาต่อคำสองยาวเนยก็กลัว่าเราได้อะไรสาระเยอะเลยนะฮะักแต่อมอตัวหมอทุกอะทิตย์แล้วก็คุณชอรีสิ่งก็เราก็ได พบคุณยูพีหลายๆลครั้งแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่คุยยาวๆแบบนี้นะแ <c> บ <oughs> บนี้เราก็่ได้รู้จักเกือกนแกที่แท้จริงว่าไม่ใช่ธรรมดานะนั้นก็เลยต่อไปมันคิดขึ้นวันนี้ว่าจอไปเราจะมีมาหาวิทยาลัยสรีประธานสูงดีไมนะเราจะหาครูที่ไม่ใช่แค่สอนนะก็อยากจะให้เป็นลักษณะที่ว่าเป็นมหาวิชีิตนะเรคิดเอาไว้กัถ้าเป็นไปได้พวกเราทุกคนก็นเป็น เ่คอวนนี้ผมก็เข้าเรียที่จะเป็นอาจารย์ต่ไปข้างหน้าตรงนี้นะอาจารย์ในมายะไรชี้จกันดังนั้นในวันนี้เราก็ได้ฟังอิีกราะ์ทั้งสี่ท่านในการให้มุมมองเกี่ยวกับการเป็นเศรษฐีแบบนี้ว่ามีประโยชน์อาไิที่ส่งอรก็ข อ, อนูโมืธนาทั้งสี่ท่านอาจารย์พงหมอทาวศรุริพั์แลเซอีนะที่ได้ให้ได้การวั น, นสิที่หาได้ยาก แล้วก็ป็นอริัพย์แล้วก็ขออริษฐพนนี้จุ่มเป็นสุบัติที่เราได้ฟังนี่แล้วเข้าไปศึกษา <c oughs> นยเฉพาอย่าที่คุณสุรพีนะได้รับได้รับคำาหรโคเทียนแต่ว่าโคเทียนทาสามปีใช่นไหมแต่คุณสุรพีรู้สึกว่าที่ได้ผลนี่ได้ถึสามปีแคห้าปีส <4 S 1> ี่ปีอาสี่ปีอะจไอาขนาดดนี้คือทาปีแต่จะไ่้่ง ทีปีนี่นะเพราะฉะนั้นองค์ก็แสดงว่าอะไรได้ตามเกณฑ์บางคนระับกันทฐางร่วดเยนสามปีบางคนว่าสิบปียังไม่ยังไม่ไปไหนเลยก็มีรับกรรมฐานมาแต่